ตัวจากนี้ไปเป็นการแสดงทํามก่อนฉันเรื่องชีวิตใหม่กับมรรคองแปดโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่30ธันวาคม2530ที่พุทธสถานปทมประส์ขอเชิญท่านติตาฟังได้นะบัดนี้ อาเจริณทำอยากโยมทั้งหลายาวันนี้อาตมาตั้งใจจะเทศเรื่องเกี่ยวกับทางประเสริฐที่พระสมมาสัพพุทธเจ้าเท่านั้นที่คนพบนี่เป็นการพูดกันอย่างที่เรียกว่าจะหลงตัวหลงตนก็ได้พูดกันอย่างคิดว่าเราคลั่งไคล้ ตอบพระสมมาส ร, ระพุทธเจ้าก็ได้อัตมามั่นใจนะไม่ใช่ว่าเราปิดหูปิดตามั่นใจว่าทฤษฎีของาศาสนาต่างๆนานาเ น, นี่ยอัตมาก็เข้าใจนะก็ดูาศาสนาเปรียบเทียบของเจ้าอื่นอะไรรก็ดูก็ตรวจตราก็เห็นทั้งหลักฐานหลักฐานความเป็นจริงที่ประชาชนาศาสนิกของแต่และาศาสนาปฏิบัติประพฤติทั้งหลัก การทฤษฎีต่างๆาเราก็ศึกษาตรวจสอบอาตมา ก, ก็แน่ใจว่ า, าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นาศาสนาที่ลึกซึ้งที่สุดและทฤษฎีเอกของพระุทธเจ้าก็คือทฤษฎีมักองค์8มักมีองค์8เป็นทางประเสริฐทางปฏิบัติ เป็นทางปฏิบัติที่เข้าใจได้ยากมากเพราะมันเป็นทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่อาจมากเคยยกตัวอย่างทฤษฎีของไอน์สไตน์มาประกอบเปรียบเทียบเสมอเสมอว่าทฤษฎีแค่ e เท่ากับ mc กำลังสองของไอน์สไตน์เท่านั้นมันก็ยังยิ่งใหญ่และมันก็ยังยากที่คนจะเรียนรู้ที่คนจะเอาไปใช้งานเอาไปทำไปปฏิบัติได้จริงๆ เป็นเรื่องของการศึกษาชั้นสูงการศึกษาที่ลึกซึ้งแล้วก็เอาไปปฏิบัติประพฤติกับอะไรตรายจริงๆขึ้นมาจนกระทั่งมีผลของปรมาโนูออกมามีผลของอะไรตไรายพิเศษพิเศษออกมาตามทฤษฎีวิเศษที่ไอน์สไตน์คิดคนได้มันสั้นๆ น, น, นะ e ีเท่ากับมกลงสองสั้นๆของพระพุทธเจ้าก็สั้นๆมักอันมีองค์8สั้นๆ ขยายออกไปว่ามีองค์8ก็คืออะไรบ้างก็บอกหัวข้อสั้นๆแปลความหมายขององค์ทั้ง8นั่นออกมาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิตั้งแต่ความเห็ น, นทิฏฐิคือความเข้าใจความรู้ความรู้พื้นฐานความรู้ความเห็นความเข้าใจแรกๆว่ามันถูกตรงอย่างไรข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองก็ให้คิด จะดําริจะนึกจะคิดอะไรออกมาเกิดทางความคิดมีความเข้าใจนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งอยู่ในใจละเป็นความเห็นเป็นความเข้าใจเป็นทัศนคติของเราเสร็จแล้วเราก็เริ่มต้นมีประพฤติมีการเกิดบทบาทเริ่มแรกมันก็เกิดจากทางจิต ดัมบริอะไรออามาจะคิดอะไรออกมาจะผกผันอะไรออกมาหรือว่าจะกําหนดให้มันมีอํานาจให้มันมีริดแรงให้มันวิจัยวิเคราะห์ <Le an> ให้มันอะไรก็ <Jenna> เริ่มเกิดมาทีจิตวิญญาณหรือเรียกว่าความดําบริความคิดเรียกว่าสังกัปปะก็ต้องให้มันตรงถึงเรียกว่าสัมมาให้มันตรงตามที่เราเข้าใจให้มันตรงตามที่เราเห็นเรารู้ เป็นปัญญาเบื้องต้นถ้าจะเรียกว่าปัญญาที่จริงมันยังไม่ใช่ปัญญาทิฏฐิกับปัญญาไม่ใช่ตัวเดียวกันมันเป็นความเห็นความเข้าใจปัญญานะมันลึกกว่าลึกกว่าทิฏฐิทิฏฐินี้ภาษาบาลีนะภาษาสันสกฤตเขาเรียกว่าทฤษฎีเรามาใช้ในความหมายสองความหมายในภาษาไทยเอาของสันสกฤตมาใช้กลายเป็นตัวทฤษฎีคือ ang ang ang หลักการม แล้วไอ้ตัวทิฏฐิเป็นตัวความเห็นเป็นตัวนา ม, มาธรรมทฤษฎีไปใช้เป็นรูปธรรมก็ใช้เป็นหลักการนะทฤษฎีอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่จริงมันอันเดียวกันภาษาบาลีทิฏฐิภาษาสะสกฤตทฤษฎีอันเดียวกันความหมายเดียวกันเนื้อหาเดียวกันแต่ไทยเราเอามาแยกใช้เป็นสองอย่างนะมันมีความหมายถึงหมายถึงหลักการที่เราเรียนมาก็ได้ หมายถึงความเห็นความเข้าใจที่เราเข้าใจเข้าไปลึกๆอย่างไรก็ตามก็ได้ทิฏฐิหรือทิษดีเหมือนกันคือทิฏฐินั่นเองคือทิษดีนั่นเองเหมือนกันเสร็จแล้วเราจะเริ่มต้นมีประพฤติมีบทบาทมีการดำเนินการเกิดบทบาทขึ้นมาในคนคนจะเกิดบทบาทอยู่สามบทบาทเท่านั้นแหละบทบาทใจบทบาทวจีบทบาทกาย จะเกิดสามบทบาทเท่านั้นบทบาทใจบทบาทวจีบทบาทกายพระพุทธเจ้าถือว่าบทบาทของใจเป็นใหญ่ที่สุดมโนปุพังคมาธรมามโนเสทามโนมยามโนก็คือใจบทบาทใจเป็นตัวประธานบทบาทใจสาคัญที่สุดทีนี้เราฝึกในบทบาทก็มีความแข็งแรงจากการฝึกเหมือนกันเพราะบทบาทใจ จะให้มันเป็นบทบาทที่แข็งแรงก็ต้องฝึกมันตั้งแต่เริ่มเราเห็นเราเข้าใจเรารู้หรือปัญญาเบื้องต้นที่อาตมาอ น, อนุรมุมเรียกปัญญาบอกแล้วว่าทิฐิกับปัญญามันไม่ใช่มันไม่ใช่ระดับเดียวกันหรอกแต่มันก็เป็นความรู้เหมือนกันนั่นแหละทิศก็เป็นความรู้แต่ความรู้อย่างทิศนะ่ะมันแค่ความรู้รู้รู้เท่านั้นเองอยังไม่เป็นจริงตัวเองยังไม่เป็นจริงรู้ได้แต่ยังไม่เป็นจริง มาเริ่มต้นท ร, ร ม, มันกระทืบจากสะสมขึ้นมาเป็นปัญญาปัญญาคือตัวที่รู้และเป็นตามที่รู้ฟังตรงนี้ใซ้อนขึ้นไปนะรู้แล้วเราเป็นตามที่รู้ปัญญาแล้วกับปัญญิีสีแล้วกับปัญญาผลตัวสังกัปปะเนี่ยจะเกิดอันนี้อขออภัยตัวปัญญาเอ้ทวทิฏฐิจะเกิดอันนี้ทิฐินี่มีองค์ทมอยู่หก องค์ธรรมนี่ก็คือหลักของตัวมันจะเกิดบทบาทของทิฏฐิไปถึงสมบูรณ์มันก็จะสมบูรณ์ไปคือก็จะเกิดจากทิฏฐิหรือรู้เนี่รู้เข้ามาเป็นปัญญาแล้วก็มาเป็นปัญญิีสีแล้วก็ไปเป็นปัญญาผลปัญญาสมบูรณ์ปัญญาผลหรือปัญญาพละเนี่ปัญญาสมบูรณ์เป็นกําลังของปัญญามันจะมีคุณภาพขึ้นมาเรื่อยๆ เสรแล้วมีอีกสมองค์คือธรรมวิจัยสัมโพธชงสัมมาทิฏฐิและก็มัคคังคะนะองค์ธรรมหองค์นี้ของทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจะเกิดได้ก็จะเกิดมีลักษณะองค์หกเนี่ยเป็นลักษณะชี้บอกคุณทําไปฝึกสัมมาทิฏฐิจะโตขึ้นไปเป็นปัญญาผลหรือเป็นสัมมาญาณญาณก็คือปัญญาเหมือนกัน ญาณก็คือความรู้ที่เป็นญาณที่เราเกิดจริงเป็นจริงไม่ใช่สักแต่ว่าทิฐิไม่ใช่สักแต่ว่าเข้าใจไม่ใช่สักแต่ว่ารู้หรือว่าเป็นความเห็นแต่มันเป็นตัวรู้และเป็นได้ยิ่งเป็นอย่างอัตโนมัติโดยเป็นลงตัวเลยเราเองเรารู้ว่ายกตัวอย่างง่ายๆเรารู้ว่าการสูบบุหรี่ไม่ดีแต่เราติดซะแล้ว เราก็มาฝึกมาปฏิบัติประพฤติตั้งแต่เริ่มดําริเริ่มพูดจะไปให้มันเกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่เกิดไปเอาบุรีมาสูบอย่าไปทํากายกรรมสูบบุรีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่การฝึกฝึกไปจนกระทั่งเราละนายคลายจางกิเลสความติดยึดเนี่ยออกไปได้หรือแม้แต่อัศธารสอร่อยที่เคยเป็นหลงผิด บุรีมันไม่อร่อยเลยจริงๆให้แค่นี้แค่นี้แค่นี้ตกน้ำผมแปมจริงๆมันไม่อร่อยเลยแต่คนไปหลงว่ามันอร่อยสูบก็แสนยากหัดสูบนี่นะโอ้โหเผลอๆไปแตะไอ้เด็แค่เส้นยามันก็ขมก็ฝนเฝื่อนเนาะดีไม่ดีอ้วกแตกเลยไม่อร่อยเลยแต่คนก็ไปติดมันจนได้กลิ่นขึ้นมาก็เมน ยิ่งบุรีไอ้ยาฉุนๆหน่อยเนี่สูบเข้าไปนะมันไม่ธรรมดาเราแสบแสบเข้าไปทั้งตับอกทั้คอโอ้แต่คนเก่งมันต้องเก่งแสบก็ฉันก็สูบได้เฉยๆไม่เป็นไรชอบด้วยมันด้วยเมือนก็นัดยานัดเนี่ยโ้ยนัดเข้าไปเถอะใครไม่เคยนัดจะนัดอลองดูหน่อยเถอะไม่ต้องมากรอกนิดๆก็พอ แต่คืนมากชักเลยอ่าถ้าคืนมากเป่าเข้าไปสิอัดเข้าไปแล้วตายย่นัดเหมือนกันนะแสบแต่เสร็จแล้วก็ติดจนได้ติดจนได้มันไม่อร่อยแต่เป็นหลงว่าอร่อยเป็นสมมุติที่ตัวเองชอบจะชอบกินรสความสัมผัสแต่ต้องแสบแสบเสิร์ฟเินั่นแหละถือมันม่นอร่อยอย่างแสบแสนั่นแหละซาดิสเขาเรียกพวกซาดิส ส่วนบุหรี่ยิงฉุนมากเท่าไหรก็ยิงซาดิสมากเท่านั้นติดมันเข้าไปรอเลิกลาออกจนกระทั่งไม่ติดไม่อะไรอะไรได้จริงๆจริงๆ ๆ, ๆิเลยนั่นแหละคือจิตเราล้างจิตเราเป็นจิตเราเกิดไม่ใช่ความรู้เท่านั้นรู้มาเป็นตัวนําทางก่อนแล้วก็มาปฏิบัติจนกระทั่งเออเป็นจริงแค่มันไปติดกันมาเนี่มันโง่มันหลงเขาหลอกมา จนกระทั่ามางมันลาออกได้ตัวโง่ก็หายตัวติดตัวยึดก็หมดบุรีก็ไม่มีความจำเป็นอะไรคนไม่สู่บุรีเนี่ยเป็นคนเจริญคนสู่บุรีมปมนไปใช่คนเจริญซะด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้รู้ทั้งโลกแล้วพูดยังไงก็มาเถียงไม่ได้รู้ทั้งโลกนะ เ, เ, อกเอาไปเลยไก่ตายนี่เห็นไความประมาท ร, รู้มากแต่แค่นั้นก็ยังไม่ทา เรื่องนี้มันเรื่องที่เรียกว่าอย่างสูบุหรีนี่นะมันไม่มีประโยชน์อะไรมันมีโรคโดยสาราพัดที่เขาจะบอกเดี๋ยวนี้ทางด้านสาธารณาสุขนี่รณรงคทั่วโลกเลยพยายามที่สุดที่จะให้คนเลิกแต่ก็ไม่แข็งจริงนะไม่พยายามรัฐบาลก็ไม่เอาจริงเห็นแก่ไรายได้เห็นแก่อะไรต่ อ, อะไรอยู่ต่างๆนาน า, นาเสร็จแล้วมันไม่ได้เป็นรายได้นะให้คนสูบบุหรีนะรายได้ทางด้านสาธารณาสุขที่จะเอามาช่วย แก้ไขอันนี้เองมันยิ่งกว่าไปได้รายได้ที่ขายบุหรีแล้วคนเนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันมันสู้ ส, สู้จนเดี๋ยวนี้มันจะไม่มีภูมิจะสู้แล้วมันไม่มีภูมิจะสู้แล้วเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นโรคกันมากที่สุดคนทุกวันนี้บอกแล้วอาตมาบอกว่ามันยีนยีนของคนนี่อ่อนแอมากแล้วทุกวันนี้ยีนของคนรุ่นนี้มาถึงวันนี้เนี่ยยีนอาตมาไม่รู้จะพูดยังไงกับนักชีววิทยาก็ตาม ว่ายีนนี่มันก็คือการปรับตัวของมันอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็สู้จนจะสุดจะสู้แล้วเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นยีนของมันจึงอ่อนแอมากแล้วอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ไหวแล้วแต่ก่อนนี้มันทนได้มาไม่รู้เออก็อสูบมันตะปูสังกษายาสังกษีใช่ยีนนู้นเขายัางแข็งแรงปูมันยังแข็งแรงมันสูบก็ไม่เป็นภัยเดี๋ยวนี้เป็นภัยอย่าว่าใจบุหรีหรืออะไรหลายๆอย่างภูมิคุ้มกันโรคภูมิแพ้มากเดี๋ยวนี้ สมัยก่อนไม่รู้เรื่องรโรคภูมิแพ้คืออะไรไม่มีโรคภูมิแพ้ไม่มีสมัยนี้โรคภูมิแพ้มันมากจริงๆเลยนะไปไม่รอดเอาเราอาตมาจะเทศมักองแปดล่อเลอะเลยเนี่ยพูดอะไรไปเงินใหญ่เอาตัดเข้าหาเรื่องใหม่เดี๋ยวจะไม่ครบ8นี่เพิ่งพูดหนึ่งเท่านั้นสัมมาธรรมวิจัยสัมโพธิชงสัมมาทิฏฐิทําไมมาซ้อนอยู่ที่สัมมาทิฏฐิ ตัวทิฏฐิเนี่ยจะต้องปฏิบัติให้เป็นสมาทิฏฐิเสร็จแล้วองค์ธรรมหกเนี่ยก็มีตัวที่ที่5นี่ว่าสมาทิฏฐิแล้วก็มรรคังค้าคือองค์แห่งมรรคทั้ง8ดองค์ทั้งหมดก็คือธ ร, รมวิจัยสัมโพธชง์เป็นตัวหลักตัวหลักในการปฏิบัติเลยต้องปฏิบัติสัมโพธชงหลักจริงก็คือตัวสติของสังสมโพธชงนี่มีสติสัมโพชชงหรือ มรคองแปเขาก็พูดว่าให้มีสติเป็นตัวนําเสมอปฏิบัติสติปัฏฐานเพื่อที่จะได้เดินมรคองค์8ได้ในโพธิปักขีจะทำสติปัฏฐานสี่เป็นตัวต้นมรคองแปดเป็นตัวท้ายเป็นหลักท้ายเป็นหลักที่7สติปัฏฐานสี่เป็นหลักที่หนึ่งให้มีสติสติสัมโพธชงอตมาเคยบรรยายวันนี้อธิบายทั้งหมดไม่ไหวหรอกนะ สติมันต่างกันสติมีสติธรรมดากับสติของกัลยาณชนและก็สติสัมโพชฌงค์หรือเป็นสติของพระอริยะสมาสติก็เรียกได้เป็นสติสมาสติเนี่ยเรียกว่าสติของอริยะคือมีสติที่มีความระลึกครูมีความเห็นตรงกับสมาธิิแล้วก็มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์นี่มีองค์ประกอบสามพร้อม มีรมวิจัยสพอตชงคือตัวองหนึ่งของสมาธิเนี่ยวิจัยอยู่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็สัมผัสอะไรก็วิจัยเห็นโดยตาได้ยินได้ยินโดยหูจมูกได้กลิ่นอยู่สัมผัสแต่ต้องอยู่ลิ้นได้ลิ้มรสอะไรก็แล้วแต่สัมผัสกายหรือแม้สัมผัสทางใจมีสติมีมุทุภูตธาตุมุทุภูตธาตุคือธาตุทางวิญญาณเป็นเจตสิกเนี่ยวไว มันได้ฝึกมันจะแววไวมันจะรู้ทันเลยรูปแล้วมันก็จะวิจัยทำมาวิจัยเนี่ยมันจะวิจัย ร, ร, รูปนี่รูปรูปมีเขียวแล้วเขียวเนี่ยชอบหรือไม่ชอบชังหรือไม่ชังมีการพิจารณาต่อไปอีกตั้งเยอะตั้งแยะไวเร็วจิตวิญญาณในไวเร็วนะเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัววิจัยนี่มาใช้เราวิจัยมันมันวิจัยบอกว่าเขียวไม่ใช่แดงอ่าสวยไม่สวย สกปรกไม่สกปรกสะอาดไม่สะอาดดีไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เบี้ยวไม่เบี้ยวอะไรก็แล้วแต่มันจะมีใจไปอีกทุกแน่ทุกมุมมันจะไม่เฉยเฉยเขี้ยวแล้วก็สอนกันว่าปฏิบัติทำอย่างสายอาจารย์สุจินบริหารบรรเเกเทนเนี่ยรู้เห็นแล้วก็สักแต่ว่าเห็นเขียวเขี้ยวนอยเฉยโง่ตายเลยไม่รู้ว่าอะไรดีกว่าอะไรแล้วอะไรควรจะปรับปรุงอะไรอะไรควรจะอะไรแล้ววิธีวางใจคือวางใจยังไง มันซ่อนลึกนะทึงบอกว่ามรรคองแปดนี่ไม่ได้ง่ายเลยยากราะเขาก็อธิบายรัดๆไปเอาตัวจบมาบกว่าวางเฉยเห็นอะไรก็สักเตวารู้คำว่าสักเตวารู้นะ่มันวางเฉยแล้ววางเป็นแล้วและมันได้ปรับสิ่งที่ดีแล้วได้งานการแล้วได้รู้แล้วว่าควรจะปฏิบัติกับสิ่งนี้อย่างไรทำไมันไม่ดีรีบแก้ไขรีบทาการงานรีบบอกหรือรีบลงมือทา ริบ ค, คิดดำริว่าควรจะทำอะไรดีขึ้นจึงจะจัดทุกอย่างทุกอย่างจึงจะมีชีวิตอยู่กับทุกอย่างนี้จเจริญพัฒนาถ้าสักแต่ไปรู้ไอ้นี่กำลังจะหกักเออกำลังจะหักก็เฉยมันก็หักก็ดไอ้นี่กำลังจะเกิดพิษเออกาลังจะเกิดพิษแล้วก็เฉยตายคนนี้กำลังจะทำชั่ว เออเขากำลังจะทำชั่วสักแต่วรู้แล้วเขาก็ทาชั่วต่อหน้าต่อตาเออมันจะมีอะไรพัฒนามันจะมีอะไรช่วยเหลือสร้างสรรแบบนี้มันไม่เจริญอะไรเลยเพราะงั้นการสอนแบบนี้ดูเหมือนเอายอดมาพูดสวยรู้วางปล่อยจบไม่ทุกข์ก็จะไปทุกข์อะไรแลวไม่ต้องทำการงานอะไรเลยแม้แต่คิดยังไม่คิดเลยเห็นแล้วก็ อย่า ว, ว่าจะพูดเดี๋ย ว, ว่าลงเป็นมือช่วยอยวาลงไปทําการงานอะไรดีกว่าอ ะ, วะอะไรควรจะปรับอะไรควรจะรู้ว่าอะไรมันเป็นยังไงที่มันจเจริญดีดีมีดีกว่ามีดีมากมีดีที่สุดถ้าให้มันเป็นลําดับลําดับลําดับเป็นขันขันเราพยายามพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ดีก็รู้ละดีดีกว่านี้มีอีกไหมมีดีกว่านี้ดีกว่าได้แล้วดีกว่าให้มันมากๆ มากจนกระทั่งถึงดีที่สุดแล้วหรือยังจบเกมดีกว่านี้ไม่ดีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วดีกว่านี้ไม่ได้แล้วดีกว่านี้ดีแตกแล้วดีกว่านี้ดีล้นดีเกินแล้วไม่ไหวแล้วต้องนี่แหละขนาดนี้แหละพมเหมาะก็ต้องเข้าใจทุกอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นทำวิจัยสัมโพธชงนี้เป็นตัวสําคัญมากเมื่อเราเข้าใจเป็นทิฏฐิเห็นแล้วเมื่อประทบสัมผัสแต่ต้องทวารทั้งหทั้ง6 แล้วเราก็จะต้องวิจัยมีมุทุภูเตกรมมณีเยทีเตอเนชปฏเตกรมมณีเยเนี่ยการกระทาการงานให้ได้สัดส่วนเหมาะสมทุกทีไปเพราะฉะนั้นมีการงานทุกทีปฏิบัติธรรมนี่มีการงานทุกทีไปนั่งหลับตาเฉยๆนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมแต่การงานน้อยก็เป็นการงานนั่งปฏิบัติธรรมนี่แหละมีการคิดนึกเกินอยู่ในนี้ว่าอาจาไม่พูดแล้ว การกระทำใดๆทางกายกรรมไม่ทําอะไรเลยนั่งเฉยมันก็นิดเดียวปฏิบัติทํานิดเดียวไม่ได้ครบปรรคองแปดเลยไม่ได้ครบมรรคองแปดมรกคแปทยืนยันไม่หมดเลยสังกัปปวาจากรรมันตะอาชีวะทาประจําชีวิตเนี่ยทำประจําวันเนี่ยอาชีวะนี่คือทั้งชีวิตเนี่ยทำอยู่ทั้งประจําวันวนเวียนอยู่เลยตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับหลับแล้วก็ตื่นอีกจนกระทั่งทํางานวนเวียนมีชีวิตอยู่ทุกชีวิตทุกกาลเวลา เราต้องทํางานเราต้องทําอะไรเรื่อยๆพัฒนาอะไรเรื่อยๆตัวธรรมวิจัยสัมโพธชงจึงเป็นตัวสําคัญมากนะมากเมื่อวิจัยได้ทุกทีคุณฝึกทุกทีทุกทีสัมผัสแต่ต้องแล้วก็ไปหาวิจัยเรื่อยวิจัยโดยมีสติที่แข็งแรงเรียนรู้ทฤษฎีโพชชงแปลว่าองค์แห่งการปรัชรูู ถ้าเราเข้าเขตวิจัยเข้าเขตโล ก, กุตระวิจัยเข้าเขตที่ว่าอันนี้ดีเป็นพฤติกรรมธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์จะทํากายจะกรรมวจีกรรมก็ตามจะให้จิตมันคิดอย่างนี้ดําริอย่างนี้ปรุงอย่างนี้ก็เป็นทางมโนกรรมแล้วเราก็ทํามันก็จะเกิดการประกอบการการงานทําไม่นี่ก็ทําทําไปอันนี้เป็นเรื่องของวัตถุจะทํากับคนก็เป็นพฤติกรรมทํากับคน จะทำกับวัตถุธาจะทำกับอะไรอะไรก็เป็นการกระทำทั้งนั้นสิ่งที่ทำมันก็เกิดเกิดการเจริญเกิดการมีเกิดการได้เกิดการเป็นประโยชน์ขึ้นมาเกิดการสร้างสรรค์ขึ้นมาพร้อมกันนั้นเราก็มีการเรียนรู้ถึงความเหมาะควรโดยเฉพาะเรียนรู้ถึงอารมณ์ของกิเลสกิเลสความโลภความเห็นแก่ตัวอัตตามานะ กิเลสทางกรรมทางภาวะทางภพนในอาตามาเขพูดหัวข้อหลักๆนะไม่ได้ขยายความมากะนะเมื่อเรารู้วิจัยออกไปแล้วแล้วเราก็มีวิธีวิธีที่จะลดกิเลสก็มีสมถภ า, าวนากับวิปัสสนาภาวนาสองวิธีเท่านั้นละของศาสนาพระพุทธเจ้าสมถภ า, าวนาก็คือทําให้มันลดบทบาทของกิเลสอาการของกิเลสและอาการของความชั่วทั้งกายก็ตามทังวจจีก็ตามอาการของความชั่วอาการของกิเลส อาการของทุจิริดอาการของอกุศลลดเบาบางลงไปจะมีวิธีกดข่มหยุดจังด้วยเรียวด้วยแรงยังไงก็ทำเรียกว่าสมถภาวนาส่วนวิปัสนาภาวนานั่นคือเหตุผลความจริงความรู้ที่ลึกจนกระทั่งมันมีแรงมีฤทธิ์มีกำลังที่ทำให้กิเลมันอ่อนตัวลงโดยเหตุผลโดยความถูกต้องโดยสัจจะ คุณจะรู้จากสัจากคุณจะรู้มีเหตุมีผลคุณจะรู้ว่าไอ้นี่มันจริงนะมันดีจริงๆมันจริงๆเข้าไปได้เท่าไหร่คุณก็ให้มันเกิดตัวนั้นนะไม่ใช่กดข่มไม่ใช่ลืมลืมทำทิ้งทิ้งางบางลืมลืมไม่เอาทําลืมไปเฉยเอันนี้วิธีสมถภ า, าวนาส่วนวิปัสสนาภาวนายิ่งรู้ลงไปยิ่งเข้าใจยิ่งเห็นยิ่งแจ้งยิ่งชัดแล้วมันไม่มีฤทธิ์มีอํานาจที่จะทําให้กิเลสเราลดอาการลงสุดเกินไปสุจริต ทุจริตลดอาการลงอกุศลลดอาการลงอย่างนี้เป็นต้นนี่นี่คือตัวปฏิบัติทมวิจัยสปทชงจะต้องวิจัยอยู่เรื่อยๆจริงๆริคุณจะคิดคุณก็วิจัยคุณจะลงมือทาแล้วก็ต้องวิจัยซ้อนอยู่เรื่อยๆอย่างนี้มากไปแล้วคุณจะพูดก็ต้องวิจัยที่เราพูดอยู่เรื่อยๆเอพูดไปนี่มีผลกระทบนะกระทบแล้วมันดีไหมไม่ดีปรับ มากไปแรงไปเบาไปเบาไปเพิ่มแรงไปลดหยาบไปลดมันอ่อนไปแรงขึ้นหน่อยอแต่ไม่ต้องถึงหยาบอะไรอย่างนี้เป็นต้นทรมาวิจัยมันจะวิจัยอยู่ยังโอ้โหไม่ไม่ได้หยุดเลยนะเพราะฉะนั้นมันจึงกำหนดตายตัวไม่ได้ ย่ายิ่งคนนี่อารมณ์มันมากอารมณ์อ่อนไว้อารมณ์นุ่นนิ่นี่อะไรมันเยอะประเดี๋ยก็เปลี่ยนประเดี๋ยก็เอาละประเดี๋ยก็อยู่ดีๆก็เดี๋ยววินาทีนี้เปลี่ยนคนยิ่งไม่มัน่คนคงไม่แน่นอนคนอารมณ์อ่อนไหวคนโลภนี่ยิ่งมากลีลามากบทบาทมากเรื่องอพูดกันอยู่ดีๆเอ๊ะโกรธกันแล้วเหรอเมื่อไหร่ ย, ยังไม่รู้เลยเอ่มารยาทดีซะด้วยนะไม่ให้เจ้าคนอื่นที่นั่งอยู่ด้วยรู้ว่าตัวเองโกรธอะไรเงี้ย ก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยนะกลัวก็ให้รู้ตัวเอออย่างข้อยิ่งชัวนะ่วเนี่ยยังระมัดระวังทันนี่บางทีเระมัดระวังไม่ทันเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันมีมากมายเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นถ้าใครทำมาวิจัยสัมโพธชงเป็นก็จะสั่งสมลงด้วยการปฏิบัติมรรคองแปดนี่แหละมรรคขังคะข้อสุดท้ายนะคือทั้งการคิดทั้งการพูดทั้งการกระทำทั้งอาชีวะ เริ่มต้นตั้งแต่ทิศทีความเห็นศึกษาให้ได้หลักการข้อความเข้าใจความเห็นให้ดีก่อนแล้วมามีสติสัมมาสติมีสัมมาวายามะเหมือนกันกันกบวิริยะกับธรรมวิจัยนะเหมือนกันพยายามที่จะมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วกับพยายามที่จะปรับพยายามที่จะเรียนรู้ให้เกิดฌานองค์ฌานก็คือมุทุภูเตกามนิเยทิเตอเนชัตเตนั่นแหละ องค์ฌานก็คือให้เกิดจิตมุทุภูตธาตุธาตุที่มันหนึ่งรู้รู้วิจัยได้รู้เร็วเลยว่าวิจัยอันนี้ดีกว่าอั น, นี้สุจริตกว่าอั น, นี้เป็นสัมมาอั น, นี้เป็นมิจฉาแล้วก็ทํา ใ, ให้เป็นสัมมาทําให้เป็นกุศลทําให้เป็นสุจริตทําให้มันดีขึ้นดีขึ้นเจริญขึ้นนั่นเองหยุดไอ้ตัวเร็วลงไปให้ได้นั่นเองสรุปง่ายๆนะวิจัยแล้วก็ทําได้จริงเร็วขึ้นเร็วขึ้นทําได้เราเรียกว่ามันหัวอ่อน ดัดได้ง่ายทำได้เลยบบหัวอ่อนมุดทุนี่แปลว่าอ่อนไอเร็วไวไอที่อาตมาแปลว่าแววไวนั่นก็คือมันมันเร็วไวเนี่ยมันก็คืออ่อนนั่นเองมันไวมันเร็วมันไหวไหวง่ายภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า s e n s i b l e หรือ sensitive อะไรก็ตามใจถ้า sensitive ก็ไปไปไปมีความหมายเชิงเอียงไปข้างแง่ลบว่านี่ sensitive เนี่ยเรียกว่ามันมูดดี้เก่งมัน ไวไวเร็วไหนรับกระทบเร็วแล้วก็ขี้โกรธขี้งอนขี้เครืองไปในทางที่ไม่พอใจไวอะไรเนี่ยเขาเรียกว่า s ซนสติไปในทางนู้นที่จริงมันก็มันก็มีศัพท์อื่นมีความหมายอื่นเขาภาษาอังกฤษเขาอื่นเหมือนกันที่ว่าไปในทางโน้นมันไม่ไปในทางเอียงไปทางชอบใจอาตมาชอบใช้คําว่า Sensible มากกว่าเซนสติปเนี่ยมันมันมันทักจะเสียแล้วเซนซิเบิก็คือตัวอารมณ์นั่นแหละของตัวเองที่รับแล้วก็ แปลเปลี่ยนเร็วนั่นแหละหรือธาตุรู้เซนสติมากของคนนี้มีตัวแหลมแหลมึกๆเร็วเร็วนะรับรู้ไว้นะเซนสติบหรือเซนซิเบิลนะรับรู้ไว้นะนั่นแหละตัวมุทุธาตุมุทุพุทธาตุมันไวที่จะรู้และอุไวที่จะดับได้ง่ายปรับได้ง่ายปรับให้ดีนะไม่จะปรับไปในทางเร็วนะปรับไปทางเร็วไม่เรียกชานไม่เรียกตัวมุทุพุทธาตุมุทุพุทธาตุนี่มันปรับตัวมันได้เร็ว รู้ก็เร็ว sensible รู้ sensitive อย่างที่ว่านี่รู้ก็เร็วไวแววไวแล้วก็ดัดได้เร็วด้วยไอ้ตัวดัดได้เร็วนี่คือตัวเจโตตัวที่รู้ได้ไวนี่คือตัวปัญญาคือตัวแววไวมันมีทั้งสองธาตุมีทั้งธาตุปัญญาและธาตุเจโตอยู่ในตัวมุทุพุทธาตุเนี่ยเพราะเขเอาความหมายคาว่ามุทุมาตัวเดียวแปลว่าอ่อนมุทุนี่แปลว่าอ่อนแปลว่าอ่อนแปลว่า ไหวไปว่าเร็วไปว่าง่ายเนี่ยมุทุเนี่ ย, เ, ยเพราะมันจะทําได้ง่ายดัดได้ง่ายรู้ได้ง่ายปรับได้ง่ายยิ่งฝึกยิ่งซ้อมมุทุภูธาตุก็ยิ่งเก่งขึ้นชํานาญขึ้นยิ่งเ จ, จริญขึ้นเพราะคนที่รู้ไวเฉยแต่ดัดไม่ได้พวกนี้พวกอะไรดีอะรู้นะพูดอะไรเขาจ่าเอาไปสอนเขาเต็มเก่งแต่ตัวเองยังทําไม่ได้เลย ดัดใจตัวเองยังไม่ได้เลยนี่ไม่ใช่ตัวมุทุพุทธะท่าเพราะฉะนั้นคนนี้ไม่มีฌ า, านฌานในทางเจโตเขาเน้นมาทางจิต ท, ที่ทาได้จิต ท, ที่ปรับได้เอาจะรู้รู้รู้รู้รอบรู้มากรู้มารู้เยอะแยะเต็มหูเต็มหัวแล้วรู้ละเอียดแวไวเหมือนกันนะมุทุพุทธะท่ตัวนี้เชิงของทางฉลาดปัญญาไวรู้มากยิ่งเซนซิเบิลมากเซนสติฟมาก ยิ่งเซนสตีปด้วยเพราะว่ามันดัดไม่ได้แต่มันชักรู้มากมันยิ่งเซนสตีปมันยิ่งเป็นอัตตามานะมันยิ่งมันนี่เข้าข้างตัวเองมันยิ่งมีอัตตามานะยิ่งแหมนฉันรู้ฉันรู้แต่ฉันทําไม่ได้ใครแตะก็ไม่ได้ใครสอนก็ไม่ได้ใครบอกก็ไม่ได้เน่ยพวกนี้ไม่รู้จะพูดอะไรอัตมาไม่รู้จะเรียกอะไรอ่า จะว่าสอนยากว่ายากมันก็รู้มันดัดไม่เคยได้นะเอาแล้วก็คงพอเข้าใจอาตมาพูดทิ้งไว้แค่นี้คงพอเข้าใจนะเพราะเราต้องหัดต้องฝึกจริงๆถ้าเรารู้ไวแต่เราดัดไม่ได้ต้องอ่อนน้อมถม่อมตนต้องยอมไม่ก็ขโขกเขาสับมันจะได้ลดอัตตาแล้วมันจะได้ดัดได้ นี่ถ้าเราขืนแข็งกระด้างอยู่แต่ว่าไม่ยอมออนยอมออนน้องถ่อมตนไม่ยอมที่ใหเโขกเขาสับไม่ยอมกำราบจิตตัวเองนะช้านานอีกหลายชาติช้านานอีกหลายชาติเนีเพราะอะไรแล้วพอเรารู้แล้วรู้แล้วเนี่ยอย่าถือดีถ้าเรารู้แล้วรู้แล้วถือดีมันก็คือตัวไม่เจริญมาซ้อนกันถ้ารู้แล้วเราก็ไม่ถือดีนั่นคือการได้ฝึกในตัว เจตัวเขจะอ่อนรู้เออเราจะทําเป็นตัวรู้ที่จริงเรารู้นะแต่เรายอมยอมเหมือนคนไม่รู้ให้เขาว่าได้ให้เขาโขกได้ให้เขาสดาดได้เหมือนเราไม่รู้แล้วเราก็ยอมจริงๆไม่ใช่แกล้งยอมแกล้งยอม เ, ยอเฉยๆนี่ก็ซ่อนเชิงอีกไม่ได้เรื่องอะแกล้งยอมเสร็จแล้วเราก็ไม่โต้ไม่เที่ยงมันก็ดีเหมือนกันดีกรร ม, มาวาจาวาจาทางกรรมวิมจีกรรมไม่โตไม่ตอบ แต่ใจมันสู้อยู่น ะ, ะมันก็ดีทางรูปทางโลกก็ดีบ้างแต่มาแต่ว่ามันก็ไม่เจริญแท้เจริญแท้ต้องใจต้องยอมจริงๆแล้วก็พยายามที่จะปรับต้นมุตุโพตธาตุเป็นตัวปรับเพราะปรับได้มันก็จะเข้าไปสู่กรรมนิยะหรือกรรมนิเยการงานเพราะฉะนั้นเราจะพูดก็ดีเราจะทําการงานอะไรก็ตามการงานมันก็จะเจริญการงานมันจะเหมาะควรเพราะ ตัวมุทุพุตธาตตัวแรกขององค์ฌานสเนี่ยมุทุพุตมุเตปุเตกัมมณีเทธีเตอเนชปฏเตเนี่ยเมื่อตัวนี้มันปรับได้มันก็วาจาก็ดีกรรมทางกายก็ดีทาประจำชีวิตเป็นอาชีวะก็ตามหรือแม้แต่คิดก็ตามมันก็จะปรับมาปรับมาปรับมาเข้ามาดีเรื่อยงานมั้นก็ดีเพราะเรายอมปรับยอมปรับ การทํางานนี่เราก็ต้องฟังเสียงคนอื่นทางใจก็คือลดกิเลสนั่นปรมัติตยแต่การงานทางสังขารสร้างสรรค์จะเรียกว่าปรมัติตย์จะเรื่องของระองคจิตเจตสิกก็ใช่แต่ว่ามันเป็นการเกิดมีการสร้างสรรค์เป้าหมายหลักลึกซึ้งของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องของการลดละ ก, กิเลสให้ไปหาศูนจุดหมดจะหยุดจะหมดได้ก็หยุดตัวบทบาทของกิเลส แต่ไม่ใช่หยุดบทบาทของการงานตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเรายังไม่ตายบทบาทของการงานก็จะเกิดอยู่จึงเรียกอันนั้นว่าธรรมชาติธรรมชาติของคนเป็นมันธรรมชาติของคนเป็นที่มันบทบาทลีลาสังขารก็ตามการงานก็ตามการกระทําอะไรเกิดก็ตามเป็นความประพฤติอยู่ก็ตามมันก็จะต้องมีอยู่เพราะ ถ้าจะเอาศูนย์จริงๆที่บอกว่านิพานหรือปรินิพานแล้ต้องเอาคนตายเขาจึงเป็นเน้นกันว่าโอ้ปรินิพานนี่คือตายตายร่างกายความจริงแล้วนิพานของพุทเจ้ามีสองนิพานใหญ่ๆสัพพะทิเสสนิพานกับอนุปาทิเสสนิพานนิพพานเป็นสัุปะทิเสสนิพานคือตั้งแต่เป็นพระอาหารหันต์ตั้งแต่ยังไม่ทันตายเรียกว่าตายแล้วกิเลสตายหมดแล้ว แต่มีการเกิดอยู่เพราะร่างกายยังอยู่กรรมยังเกิดอยู่การงานยังเกิดอยู่ท่านก็ทำการงานที่เป็นสิ่งดีในโลกเท่านั้นเองไม่ได้ทำเพื่อตัวเพื่อตนไม่ได้ทำเพื่อตัวเองไม่ได้บำเรอตัวเองพระอรหันต์ไม่ได้บำเรอตัวเอ ง, อาาำเเองทำอย่างขยันมันเพียรสร้างสรรค์อยู่จึงเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อโลกมากส่วนนิพพานตายอนุปิเสสานิพพานคือ น, นิพพานที่พระอาหารหันต์นี่แหละตายหมดลมหายใจ โมโลไม่ใจตายลงไปแล้วมันจะไม่มีประโยชน์อะไรล่ะนิพพานตายพระอรหันต์ตายแล้วมันก็เป็นภาระคนจะเอาไปเผาเท่านั้นเองตัวเองก็เผาตัวเองไม่ได้มันก็ค่อยเนา่าเนา่าเปื่อยเป่อยเหม็นเหม็นคนดมเท่านั้นเองใช่ไหมธาตุมันก็จะเน่าเหม็นไปร่างกายมันก็ตายแล้วก็จะธาตุมันก็เน่าเหม็นมันมีประโยชน์อะไรกับคนพอตายแล้วเขาจะเอาไปดองทํา เนื้อเข็มกินก็ไม่ได้เขาไม่กินคนกันนี่เน้คนไม่มีประโยชน์เราจะาไปถมคูถมคลองเหมือนอิดเหมือนหินยังไม่ได้เลยใครจะเอาคนไปถมคูถมคลองเนาะก็น่าเกลียดตายเนาะทำอะไรก็ไม่ได้อย่างดีก็เอาไปฝังใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ยแต่มันก็ไม่ไม่ไมครกล้าพูดเราเออดีแล้วคนนี่ตายแล้วดีเราได้ปุ๋ยคงไม่มีใครกล้าพูดนะ มันมากไปแหมเล่นเอาคนเป็นปุ๋ยเนี่ยมันจะหนักไปนนเพราะงั้นธรรมวิจัยสัมโพธชงสัมมาธิฏฐิกับมรรคังคะนี่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นบทบาทให้เกิดสมาธิฏฐิที่เกิดสมาธิฏฐิตัวกลางเนี่ยทำวิจัยสัมโพธชงสัมมาธิฏฐิและกัมรรคังคะเกิดสมาธิฏิที่โตขึ้นโตขึ้นมาเป็นปัญญาปัญญีสีปัญญาพล เห็นไหมว่ามันซ้อนเชิงเป็นสภาพมูลรอบเชิงซ้อนที่เป็นบทบาทของพฤติกรรมขององค์ประกอบของการงานของการกระทําของบทบาทการปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วมันจะมีจริงเกิดจริงปัญญาจะเกิดจริงปัญญสีจะเกิดจริงเพราะธรรมวิจัยเกิดจริงธรรมวิจัยสะพพกเชิงเกิดจริงเพราะสมาธิิมันโตขึ้นโตขึ้นมันไม่ได้ตายตัวนะสมาธิิมีเนื้อหาความรู้คุณจะถูกต้องเป๊ะก็ตามแต่มันเป็นการรู้เพียงตัก รู้เพียงเหตุผลเข้าใจเป็นความหมายเมื่อคุณปฏิบัติไปจริงมีมรรคัางคะปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วก็มีทำรรวิจัยสะโพดชงเป็นหัวหอกเอาได้วิจัยได้ทำถูกพอทำแล้วนี่ยถู ก, ปกไปรู้ไปถูกมันไม่ใจซ้อนอีกนะได้หรือไม่ได้ได้น้อยได้มากขึ้นสมาธิโตขึ้นเข้าไปหาเป็นปัญญาเป็นป็นยินรีเป็นปัญญาผลมีเจโตวิมุตสุดรอบ สมาธิติไปเป็นสมาญาหรือเป็นปัญญาผลเจริญขึ้นเรื่อยวิจัยซ้อนเรื่อยๆวิจัยสะโพกชงนี้ยรอซ้อนขึ้นเรื่อยวิจัยสภาวะของจิตเจตสิกซ้อนขึ้นเรื่อยวิจัยสภาวะสัมพันธ์กับการงานสัมพันธ์กับกายกรรมสัมพันธ์กับวิจีกรรมสัมพันธ์กับชีวิตของเราที่ทํากับรอบกว้างกับคนหมู่มากได้ขึ้นดีขึ้นเท่าไหร่นีมันจะสัมพันธ์มันไม่ขาดกัน มันจะสัมพันธ์สัมผัสกันมันจะเป็นไปมันจะเจริญไออัตมาอยากจะเก่งกว่านี้จังเลยพูดไม่เก่งแต่รู้อยู่ในนี้มันพูดออกมาเป็นภาษามันซับซ้อนหลายชั้นแล้วเกินมันซับซ้อนมากมากนแต่มันก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะพวกคุณช่วยให้อัตมาเก่งด้วยเพราะพวกคุณรับฟังบางทีพูดผิดพูดถูกพวกคุณก็รู้นะอัตมาพูดผิดผิดบางพวกคุณก็รู้ว่าอันนี้ผิดละอันนี้ผิดแล้วคุณก็เข้าใจอ่ะกลับให้มันถูกเอง บางทีทักขึ้นมาที่จริงอย่าไปเข้าใจเอาเองมากนักควรทักถอาตมาพูดผิดควรทักเพราะไม่อย่างนั้นไม่ต้องทักหรอกเราเข้าใจเอาเองปรเดี๋ยวมันจะเข้าใจผิดแล้วก็เข้าใจตัวเองว่าเราเข้าใจถูกมันจะไม่เข้าท่าแต่คุณทักมาถ้าทักถูกอาตมาก็รับรับรองถ้าคุณทักไม่ถูกอาตมาก็จะบอกเน่คุณเข้าใจนึกว่าอาตมาผิดแท้คุณเองผิดมันจะยุ่งกันใหญ่อันนี้นี่หลักหของสมาธิฐิ มันจะเกิดการสัมพันธ์กันจะเกิดบทบาทจริงเพราะนั้นมักคังฆ่าทำไมปฏิบัตินะองค์ทั้ง8ดเนี่ยไม่ไม่สมบูรณ์ด้วยมันจะไม่เลยมันสมบูรณ์หมดนะท่านบอกว่าสมาธิิเป็นประธานสมาสติกับสมาวายามะเป็นตัวห้อมล้อมเป็นตัวช่วยสมาธิคือตัวพยายามหรือตัววิริยะเนี่ยตัวเพียรตัวพยายามเนี่ยพยายามให้ตัวเองเป็นนักปฏิบัติธรรม จะทําการงานอะไรอยู่ให้มีการปฏิบัติธรรมประกอบกับการงานให้มีการปฏิบัติธรรมปฏิประกอบกับการพูดประกอบ ก, บกับกายกรรมนะอย่าว่าอาตมาไม่สุภาพอย่าว่ า, วาอาตมารุนแรงนะที่อาตมาต้องทงํางี้เป็นการเจตนาเป็นศิลปะทําให้คุณถ้าคุณตั้งใจฟังตั้งใจดูแล้วคุณก็นอกนอกไปตามเนี่เป็นลีลาเป็นอะไรให้คุณคุณก็จะฟังมันจะมีน้ําหนักน้ําหนักทําความเข้าใจให้คุณเกิดขึ้นได้มากนะ สายเจโตวเขานี่เขาไม่ให้กระดุกกระดิกก็ไม่อะไรมันโต่งไปอีกทางหนึ่งเขาจะต้องหลับตาฟังด้วยช้าแล้วก็บอกหลับตาฟังนี่เลยลฟังได้ชัดฟังได้มากก็จริงได้เพิ่มขึ้นอยู่เพราะว่ามันทำชานนะทำชานประเภทที่มีเอกคตามีความเป็นหนึ่งฟังตั้งใจฟังจริงๆ แต่พวกนี้พวกนี้มือไม้ลักษณะสีหน้าสีตาอะไรต่ออพวกนี้มันเป็นองค์ประกอบที่สื่อออกมาให้เรารับได้ทุกทวารเนี่ยมันมากนะมันมากท่านสมณะทั้งหลายแหละนี่ท่านขาดทุนพวกคุณพวกคุณนี่เห็นทั้งหน้านี่เห็นอะไรต่ออะไรนี่สีหน้าสีตาแววตาบางทีกระแสตา อ, อัตมากไปข้างหลังไม่ได้รับล็อกอยู่ข้างหลังเนี่ยขาดทุนอาตมามาก นะขาดทุนพวกคุณไม่ใช่ขาดทุนอาตมาขาดทุนกกว่าพวกคุณเพราะก็ได้รับด้านหลังอาตมาไม่ได้มีกระแสตาออกทางด้านหลังไม่มนะีอย่างี้มันไม่ได้มันก็ได้แค่นี้นะนะเพราะยิ่งได้รับทุกทวารได้รับทุกกระแสมันก็ช่วยได้มากใช่ไช่วยได้มากแต่ก็อาตมาก็ไม่ส่งเสริมหรอกนะว่าใครที่จะทาความกระดุกกระดิกมากเกินไป เป็นพระเข า, า, าถ้าทางนี้ออกวาดรวดลายแบบอคอนเสิร์ตเลยเขย่าเลยเต้นเต็มที่เลยอะไรอมันก็มากไปนะเพราะฉะนนั้จะทําก็ต้องให้มีกาลเวลานะอย่าอาตมาทํากับพวกคุณพวกคุณเข้าใจอาตมาก็ทํามากหน่อยถ้าไปเท่ข้างนอกอาตมาจะไปทําอย่างนี้มากๆเขาไม่ศรัทธาแล้วเพราะความเห็นของเขาเขาเห็นว่าต้องเรียบร้อยแล้วคุณเรียบร้อยมิติเดียวมิติพาร์ซีเรียบร้อยของเขาก็คือนิ่งๆ พูดแทบจะไม่เปิดปากนี่แหละคือสุภาพพูดเสียงดังก็ไม่ได้ต้องพูด เ, ب, เบาๆเรียบเรืเร่อย เ, ยเยมื่อกัุลมโชยฟังไปก็หลับไปโดยซ้ำไปอย่างเงี้ยนั่ น, ะนก็เป็นเรื่องของเขาอย่างนั้นแต่ของเราเนี่ยเราเข้าใจแล้วก็ใช้ได้นะนะ่ะกอยอตมาจะมา ทำลีลาーーยางี้ได้อาตมาก็ต้องทําแบบที่พวกคุณเข้าใจก่อนสุภาพแต่ก่อนนี้อาตมาสุภาพมากเรียบร้อยสนิทเงียบเรียบรีลาภาษาไม่เหมือนอย่างนี้หรอกเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้เราโอ้โหขี่ก็ว่าขี่กันเลยเตดก็ว่าตดกันเลยอะไรเนี่ยว่าก็ออกมาชัดมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนสุภาพเมื่อก่อนนี้เรียบร้อยลีลาทั้งกายวาจาใจแต่ในนี้อาตมาต้องการสื่อให้เร็วขึ้นเพราะซับซ้อนมากขึ้นเริ่มมันซับซ้อนมากขึ้นแล้วมันละเอียดมากขึ้น มักอกแปดก็พูดมาแต่ต้นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้และจะจะพูดไปจนตายตายแล้วเกิดมาใหม่อีกก็ต้องพูดมักอกแปดอีกซ้ำซากไม่มีไม่มีทางเลี่ยงนะแต่เจาะลึกลงไปเรื่อยๆวันนี้ถ้าใครตั้งใจฟังก็จะได้รับแม้แต่แค่อธิบายมาผ่านมาแล้วเนี่ยจะได้รับว่ามีอะไรลึกขึ้นชัดขึ้นก็ฟังดูนะนี่ยังไม่ก้าวล่วงไปจากสมาธิิเท่าไหรเลยนะแต่ก็ไม่มีปัญหาสมาธิิเป็นตัวหลักเป็นประธานนะอาตมาก็พูดถึงสมาสังกปะ พ, พูดถึงสมาวาจาร์เ พ, พูดถึงสมารกรรมตะสมาอาชีวะอยู่และพูดถึงสมาสติและสมมาวายามะอยู่แม้พูดสมาสติเป็นสมาสติเป็นตัวแรกนี่แหละมันจะไปเกี่ยวข้องกันสติตั้งให้รู้ตัวตัวพร้อมวายามะหรือวิริยะพยายามที่จะทำให้ถูกหลักการถูกทิฏฐิที่เป็นประธานถูกทฤษฎีที่เรารู้ไปแล้วทำให้มันลงตัวกับทฤษฎีหรือทิฏฐิที่เราเข้าใจเพราะฉะนั้นจะสังวร ตั้งแต่ความคิดสังกับปะสังกับปะนี้มีองค์ธรรมเจ็ดมีองค์ธรรมเจตักกะวิตกกะสังกับปะอปปนาพย ป, ปนาเจตสุโโอภิเนโรปนาสังวจีสังคารานี่องค์ธรรมเจ็ดเมื่อก็องค์ธรรมหกของสมาทิติองค์ธรรมเจ็ดนี่คือคุณต้องคิดนั่นแหละพูดง่ายๆตักกะก็คือคิดวิตักกะก็คือคิดสังกับปะก็คือคิด เขาแปลเป็นไทยอย่างโกโก้หน่อยเขแปลว่าตัากกะแปลว่าตริวิตกะแปลว่าตรองสังกัปปะล่ะดํมริดัมริก็ได้โตแล้วนะแต่ถ้าไปแปลอีกมุมหนึ่งก็แปลดํมริแปลว่าเริ่มต้นคิดเริ่มต้นดํมริบนละที่จริงดํมรินี่คือสังกัปปะนี่คือผลของตริตรองตรองก็มีวิจัยไปในตัวพูดง่ายๆก็คือ เริ่มต้นมีสติรู้แล้วก็รู้ว่าอะไรกำลังเกิดแล้วก็วิจัยธรรมวิจัยนั่นเองพยายามวิจัยให้มันถูกหลักหรือทฤษฎีหรือความเห็นว่าจะทำให้ดีที่สุดคืออะไรไม่ว่าการงานไม่ว่าการล้างกิเลส ข, ของเราไม่ว่าการงานข้างนอกหรือล้างกิเลส ข, ของเราทั้งสองทั้งนอกและในนี่มันยากตรงนี้ยากทั้งนอกและในเพราะธรรมะของพรพุทธเจ้าแล้วเนี่ยคือการงาน คือการกระทําพร้อมกันไปทั้งตัดกิเลสรู้ทั้งนอกและในรู้ทั้งบทบาทที่ลีลาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอันอื่นเรียกว่ากายโยสัมผัสสัมพันธ์ียกว่ากายรู้ทั้งเวทนาของตนรู้ทั้งความรู้สึกเวทนาคือความรู้สึกรวมความรู้สึกทั้งหมดความรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขรู้สึกมีกิเลสไม่มีกิเลสรู้สึกว่าไม่มีอะไรซ้อนไม่ซ้อนวิจัยว่าไม่ออก จะเอาอะไรออกเวทนาที่มันเป็นความรู้สึกไม่ดีมันเป็นความรู้สึกของกิเลสไม่ใช่ความรู้สึกของความบริสุทธิ์ความรู้สึกบริสุทธิ์เขี้ยวคือเขียวก็เขี้ยวเท่านั้นภาษาเรียกว่าเขียวภาษาอังกฤษเรียกว่ากรีนภาษาจีนเรียกว่าอะไรฮะเขียวฮะแชภาษาจีนเรียกว่าแชอะไรก็แล้วแต่ นั่นสมมุติเรียกกันไปจะเรียกอะไรก็ได้อัตมาตั้งขึ้นมาใหม่ก็ได้นี่เรียกว่ามรึกกึกกี่แปลว่าเขียวก็ได้และแต่จะสมมุติแล้วคุณก็รับรับกันผมบอกมฤึกกึกกี่ออรู้แล้วว่าหมายถึงสีเขียวก็เข้าใจกันแล้วนี่มันสมมุติขึ้นมาอะไรก็ได้ทั้งนั้นน่ะนั่นเป็นบัญญัติที่เรียกขึ้นมาในโลกเท่านั้นเองแต่แท้จริงก็คืออย่างงี้นี้เงี้ยฉาตไหนภาษาไหนก็ตามคือเงี้ยความจริงคือเงี้ยแล้วมันไม่มีอะไรนี่แล้วคุณไปเติมกิเลสเข้าไปในนี้ว่า ถ้าเขียวแต่ฉันชอบหรือถ้าเขียวแต่ฉันชังเขียวแก่กว่นี้ก็ดีนี่เขียวอ่อนไปหน่อยหรืออ่อนอย่างนี้ดีหรือ อ, อ่ อ, อ, อนกว่านี้หน่นอยก็ดีไม่ได้เที่ยงเลยแล้วแต่ใครจะไปยึดตรงไหนเนี่ยบอกเอ้เขียวไม่ดีเลยเอาแดงดีกว่าแล้วก็ตามใช้ยิยงไปกว้างไปอีกยิยงไปมากเรื่องขึ้นไปอีกนะเขียวเนี่ยมันไม่สะอาดนะทําสะอาดจะสะอาดกว่านี้เอากว่หวาไปนะอะไรต่างๆนานาเขียวนี่ทํำไมมันดงังอะไรก็หวาไปเยอะ ที่จริงมันก็คือไม่มีอะไรไม่ได้ไปมีผลกระทบอะไรกับใครจะให้เป็นอะไรไปแต่เพียงรู้อันนี้ก็เท่านี้ไปสกัดมาจากธรรมชาติซะด้วยซ้ำไอ้ น, นี่จะใช้ก็ใช้ใช้ประโยชน์อะไรนะความหมายของมันสาระเอามาปิดขวดเอาปิดขวดก็ปิดขวดมันจะมีสีอะไรปิดขวดมันก็ไอเหมือนกันนะแดงเขียวน้ำเงินอะไรก็ฉ่างมันก็เท่านั้นเองกิเลสของเราก็อีกอันนึง ความยึดติดของเราอีกอันหนึ่งรสชาติในใจของเราอีกอันหนึ่งอันนั้นแหละคุณค่าไอ้ น, นี่เขียวคุณไม่ต้องไปขามันหรอกตาเห็นสีเขียวก็ดีแล้วตาไม่บอดสีนะไม่ต้องไปหลับตาเห็นจริงตามจริงแล้วรู้ว่าเห็นนี้คือความรู้สึกเวทนารู้ตามความเป็นจริงรู้สึกว่าเขียวรู้สึกว่ามองรู้สึกว่าสกปรกแล้วถ้าจะสะอาดดีกว่าคืออะไร สังขารขึ้นมาแล้วปรุงแล้วคิดแล้วไตรแล้วตรองแล้วถ้าคุณปรุงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดพลังงานโยกคลอนขึ้นมาพลังงานเวียงเมื่อเกิดพลังยิ่งคิดยิ่งอะไรขึ้นมาวิจัยมากๆเขาก็ยิ่งจะเวียงหมุนคลอนมากขึ้นเร็วขึ้นแรงขึ้นจึงต้องมีอัปปนาพยปนาเจตโซพินิโรปรนาคือตัวมั่นคงแน่นอนว่า และคุณจะคิดนี่จะคิดได้แรงได้เร็วได้มากก็เพราะคุณเองมีความมั่นคงว่ามั่นใจว่ารู้จริงรู้ดีและได้ฝึกให้จิตนี่แข็งแรงด้วยจึงเป็นความแนบแน่แนแ น, แน่วแน่มั่นคงปักหลักอกปัปปนาพยปพนาเจโตสโสพนพิโรปรนาคล้ายๆกับปัญญาปัญญีสีปัญญาผลเนี่ยความเจริญของเจโตปัญญาปัญญีสีปัญญาผลความเจริญของปัญญาความเจริญของตัวความฉลาดความเจริญของเจโตก็คือความมั่นคงแข็งแรง จะมั่นคงแข็งแรงก็เพราะว่าได้ฝึกเนี่เราอ่ะมั่นคงแล้วแล้วปักเสาวไว้แน่นแล้วแต่ไม่เคยไปโยกไปโครงอะไรมันเลยเสร็จแล้ววันดีคืนดีคนไม่ได้ไปโยกโครงหรอกรถ ล, ลมพัดเบาๆ เ, เ, เอียงโธ่เอ้ยไม่ได้มั่นคงอะไรหรอกหรือเราอยากรู้มันมัน่คนคงเราก็ต้องลองของเราเองอนี่แตะมันที วะไม่เคยยังไม่แข็งแรงแตะไหวมีแรงเหวี่ยงที่จะแบบทำให้มันไหวดูสิแรงเหวี่ยงแรงปรีไม่ใช่ไปมันมันม่นคงเพราะไม่มีอะไรแตะเนี่ยสายเจโตสายตรีสีนี่เขาก็ได้แต่กดคมลงไปไม่มีอะไรแตะลองคิดสิไม่เคิดนะนรเดี๋ยวมันวุ่นคิดสิปรุงสิสังขารสิ สังขารมากตอนรดๆท่ามันมีความมั่นคงมันมีความแน่นอนมันมีความถูกต้องที่เราได้ศึกษาได้ประพฤติได้อบรมได้ฝึกฝนได้แน่ชัดแล้วไม่เปลี่ยนแปลงสัจจะจะเป็นหนึ่งเดียวไม่เปลี่ยนแปลงเพราะมันยังเปลี่ยนแปลงอยู่นมันยังคลอนนิดหน่อยมันยังคลอนมันยังหวั่นยังไหวอะไรก็ละออกฝึกปลื้ขัดเกลา ต, ต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปจนเกิดอัปปนา พยับปนานี่สูงขึ้นเจตโสอภินิโรปนาปักมั่นแน่วแน่เขาเรียกว่าแนบแน่นแน่วแน่เขาแปลเป็นไทยนะไม่รู้จะแปลว่าไงคือมันที่จริงก็คือบทบาทความเจริญของความมั่นคงบทบาทของความมั่นคงมันจเจริญขึ้นไปจากอั ป, ปนาเป็นพยับปนาเป็นเจตโสอภินิโรปนาจังเด็ดขาดในฐานฌานเมื่อกี้นี่มุทุภูเตกรรมมณเย คุณทดสอบด้วยการงานนี่แหละมุทุภูเตรู้แววไวแล้วก็มีใจฉลาดรู้กิเลสแล้วก็ขากิเลสลงไปแล้วก็ทำก็มือมือเกิดแรงเหวี่ยงยิ่งทํางานยิ่งสังขารยิ่งปรุงว่าทํางานมันต้องปรับ ต, ต้องปรุงต้องคิดต้องอะไรต้อะไรต้องตัดสัมผัสแต่ต้องที่ทดลองความหวันไหวของเรามันก็เกิดจริงเป็ น, ป น, ปนจริงเป็ น, ปนจริงเป็นจริงกับการงานกรรมนิเยนี่แหละถึงจะเกิดทีเตความมั่นคงทีเตความมั่นคง อเนนชัปปเตก็เป็นคําบอกว่าจิตเด็ดขาดอเนนไม่ไหวอีกแล้วอเนนชาแปลว่าไม่ไหวไม่วันไหวทีเตแปลว่าความมั่นคงมั่นคงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสั่งสมความมั่นคงเพิ่มขึ้นสุดท้ายเป็นตัวบอกจบว่าไม่วันไหวอีกแล้วอเนนชาอเนชัปปเตไม่ั่นไหวแล้วก็คือจะเอาภาษามันมาแทนกันก็คือเจตสโทอภินิโรปนา จิตปักมัน่นเจตสัวพินโรปนาอนเนชาไม่หวั่นไหวแล้วเขาแปลเป็นไทยว่าอนเนชาว่าไม่หวั่นไหวเจตสัวอภิณโรปนาปนาแ ป, ปลว่าจิตปักมัน่นมันก็อันเดียวกันนั่นแหละโดยภาษามันสองความหมายสองภาษาแต่ตัวลักษณะมันอันเดียวกันเมื่อยิ่งมัน่นเท่าไหร่เรายิ่งจะสังขาราจะสังขารได้มากมาก ม, าก ม, า ม, ามาสังขารได้ปรุงได้เพราะไอ้นินะยิ่งนั่นก็ยิ่งสังขารได้มาก ตักก่วิจก่สังกปะความคิดคิดแต่ ก, กับปรุงก็สร้างก่วิจัยก็อะไรแต่ยิ่งมากและเร็วด้วยเร็วจนกระทั่งเกิดเป็นวัจีในใ จ, จเจ้าแปรตามพยัญชนะแต่ที่จริงวจีสังขารเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทางวาจาเท่านั้นมันจะเป็นสังขารอันหนึ่งที่จะพร้อมที่จะออกมาข้างนอกมาสั่งให้เกิดวัจจีมาสั่งให้เกิดกายกรรม วจีสังขารนี่พร้อมที่จะออกมาเกิดทั้งวจีและกายกรรมแต่เขาเรียกวัตจีกรรมเท่ า, ทานั้นเอาไว้เป็นภาษาแทนว่าสังขารที่ได้ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมจะออกมาถ้ายิ่งเรามีจิตแวววายเราจะตรวจสอบวัตจีสังขารนอีกทีนึงว่าใช่มันออกมาเป็นวาจาจใช้ออกมาเป็นกายดีหรือไม่ดีตรวจสอบอีกทีหนึง่งถ้าไม่ดีมันจะรีบตัดและไม่ออกมาเป็นวจีกรรมไม่ออกมาเป็นกายกรรม เพราะฉะนั้นตัวสังกปปะจึเป็นตัวใหญ่เหลือเกินที่จะกลั่นกรองการคิดนึกแววไวเร็วไวอยู่ใน น, นี้นี่คือมุทุภูเตกา ม, มณีเยถ้าคุณมีทีเตอเนชัปะเตมากก็คือมีอัปนาพยาปนาเจตโซเพนิโปรปนามากตัวมุทุภูตธาตุแววไวแคล้วคล่องเนี่ยที่จะคิดจะนึกนตัวต ก, กาวิตกาสังกปาะนี้ก็จะทํางานสังขารทําการคิดนึกทำการวิจัยวิจารณ์ได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ฉลาดหลักแหลม และเร็วจนกระทั้งว่าแม่แต่ถึงวจีสังขาราแล้วจะปล่อยออกหรือไม่ปล่อยออกเก็บไม่ให้ปล่อยออกเพราะว่าแหมมันไม่ดีหรือว่าจะปล่อยออกแล้วก็ปล่อยออกไปเต็มที่หรือปล่อยออกไปนิดหน่อยหรือปล่อยออกไปอะไรมันจะมีกลองพิเศษอย่างนี้เป็นต้นนี่คือใช้ภาษาอาตมาพยายามใช้ภาษาที่จะอธิบายถึงธรรมะพระพุทธเจ้านี่มันลึกซึ้ง ขออภัยนะคนใหม่ๆหน่อยก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะยังไม่ได้ฟังไม่ได้เคยได้ยินที่อาตมาเทศและยิ่งเอาภาษาอะไรไม่รู้เตเตเตเตเตเตไม่รู้อ่าเตเตนี่เขาภาษากินกางตุ้งเขาอะไรเตพ่อเตพ่อนะนะเตเนี่ยจะพ่อใช่ไหมเดหรือเต เดหรือเตก็ตามอพอแล้วกั น, นก็นี่แหละอันนี้จับปะเตะทีเตเนี่ยจะเป็นภาษาบาลีลงท้ายเขาก็พันอย่างนั้นตามหลักวิชาการเขาทีนี้สรุปลงไปว่าถ้าเราเข้าใจสมาธิิจะทำสมาธิิได้อย่างไรโดยมีองค์ทำหกจะทำให้เกิดสังกปราอย่างไรโดยมีองค์ทำเจ็ด กายกรรมวจีกรรมก็คือตัวประธานคือสังกปะตัวจิตเป็นประธานบทบาทตัวนี้จะเป็นกําลังจะให้เกิดวัจีไม้กิจกิจถ้าเข้าใจวัจีสังขารแล้วเมื่อกี้เพราะฉะนั้นวาจากับกมมันตะอาชีวะมันจะตามมามันไม่มีองค์ธรรมวจีกรรมนะสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะไม่มีองค์ธรรม เจข้อหข้อมวลอย่างทิฏฐิและสังกัปปะมีสองข้อเท่านั้นเป็นสัมมารหรือมิจฉาทุจริตหรือสุจริตมีเท่านั้ น, นในตัววจีในตัวกายในตัวกรรมมันตะในตัวอาชีวะมีว่าเป็นสัมมารหรือมิจฉาหรือเป็นสุจริตหรือทุจริตหรือเป็นอกุศลหรือกุศลเท่านั้นมีสองเชิงเท่านั้นเกิดจากตัวบทบาททางใน ตัทิฏฐิกับตัวสังกัปปะท น, นเป็นตัวจักกลใหญ่เป็นประธานแล้วก็ออกมาสู่กรรมเพรา ะ, ะนั้นกรรมก็ฝึกแม้แต่กายวาจา ก, ก็จะรับฝึกมาจากจิตเพรา ะ, ะนั้นการกควบคุมกายควบคุมวาจาแล้วก็ควบคุมใจด้วยใจจะเป็นตัวควบคุมอยู่ด้วยกันหมดเลยเพรา ะ, ะการปฏริบัติทางของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่ว่ามานั่งสะกดจิตแต่มาให้จิตนี่มันได้ฝึกอย่างลึกซึ้ง อย่างลึกซึ้งอย่างประณีตอย่างมากหลายคนทําแล้วจริงฝึกตรงทฤษฎีมรรคองคแปรของผู้เจ้าจริงแล้วจะเป็นคนธรรมดาที่ยิ่งเชี่ยวชาญชำนาญในสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นสุดจริตการงานฝีมือความสามารถเจริญด้วยกิเลสลดด้วยความเห็นแก่ตัวลดด้วยการทำงานกับคนอื่นสัมพันธ์กับคนอื่นได้ดีด้วยเพราะอัตตามานะก็ต้องลดด้วย ทำเมื่อคนนี้นี่ชังติช่งเอาแต่ใจตัวก็ค่อยๆประนีประนอมกันค่อยๆมีกลเม็ดวรยุทธ์ที่จะทําก็เข้าได้ดีหนักเข้ า, านวันทั้งโน้นมันแก้ไขอะไรก็ไม่ได้เขาก็ได้แต่มีมานะอัตตามากขึ้นนักกันเลิกไม่ต้องทําด้วยกันคุณไปอัตตาของคุณเองเราไม่มีส่วนไปทําให้คุณอัตตาใหญ่ก็พออะไรงี้เป็นต้นแล้วก็พูดไปอาจามาพูดมามีแต่มรรคองเจ็ดยังไม่ได้พูดคําว่าสมาธิเลยสักคําทึ่งเป็นตัวที่แปดของมรรค ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นสมาธิของท่านเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นสมาธิพิเศษไม่ใช่สมาธิทั่วไปสมาธิคําว่าสมาธิทั่วไปทุกวันนี้นี่คนเข้าใจอยู่และก็เป็นแค่นั้นแหละส่วนพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัมมาสมาธิซึ่งต่างกันเกิดได้เพราะมรรคองค์ทั้งเจดนี้เมื่อปฏิบัติที่อาตมาอธิบายองค์เจนี้ไปสมาธิก็ไม่ใช่สัมมาสมาธิมันก็สั่งสมลง เกิดเป็นสมาสมาธิเองเพราะฉะนั้นสมาสมาธิไม่ได้เกิดจากการหลับนั่งหลับตาเท่านั้นที่อาตมาพูดว่าเท่านั้นก็เพราะว่าถ้าเข้าใจจริงๆแล้วนั่งหลับตาก็ปฏิบัติได้เป็นการส่งเสริมเป็นการช่วยเท่านั้นเองแต่หลักใหญ่แล้วอยู่ที่องค์ทั้งเจ็ดลืมตามีการคิดมีการพูดมีการงานการกระทำมีสิ่งที่ทำประจำชีวิตเรียกว่าอาชีพ อันนี้ตั้งหากที่มันเป็นตัวสําคัญเสร็จแล้วสังสมลงเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเกิดนั้นจะเกิดสัมมาญานสัมมาวิมุตติเข้าไปทุกทีทุกทีทุกทีทุกทีทุก ท, ท, กทีเกิดจากปัญญาปัญญรีปัญญาผลนั่นเองคือสัมมาญานและลดกิเลสได้นั้นลงไปเรื่อยๆอย่างถูกตัวมีวิจัยที่ถูกตัวมีการลดกิเลสได้ถูกตัวมีการเจริญได้ถูกตัว การเจริญนั้นเจริญทั้งการงานลดกิเลสคือการส่วนตนเป็นประโยชน์ตนการงานที่เราสร้างสรรโดยไม่ได้หยุดการงานเลยทาปฏิบัติธรรมของพรุทธเจ้าไม่ได้หยุดการงานเลยการกระทำทางกายวาจาใจอะไรจะทำอาชีพอะไรจะทำการงานอะไรอันไหนเห็นชัดเจนว่าเป็นมิจฉาชีพเราเลิกไหมไปค่าฝินก็เลิกไปทำงานฆ่าสัตว์ก็เลิกไปทำงาน มิจฉาชีพอะไรแต่แรกที่มันหยับยาวตื้นตื้นที่พูดกันนะมิจฉาชีพชีพอาชีพปลนจะชีพจีอะไรเลิกอาชีพที่ไปขโมยรักอะไรเป็นศีนก็สองก็เลิกอาชีพที่จะต้องไปเท่ดีวุ่นวายเป็นแม่สื่อแม่ชักเป็นคนที่ไปวุ่นวายแตเรื่องจะจะหาเขาเรื่องแต่งงงแต่งงานเป็นผัวเป็นเมียเป็นหนึ่งเป็นนี่อะไรทึ้งเป็นเรื่องทุกข์นะเป็นเรื่องทุกข์มหาศาลก็เลิกใครเห็นว่าอันนี้อาชีพอย่างนี้ควรเลิกเป็นมิจฉาละอย่างเราเข้าใจเราเป็นมิจฉาเลิก อาชีพพูดแต่พูดมอมเมาพูดไม่เอาได้สาระดีไม่ดีพูดประเภทที่ตอแหลด้วยพูดประเภทที่ใช้ช่อชนกลโกงพูดอะไรแต่ไหนไม่เข้าเรื่องเลยเลิกมาพูดให้มันดีๆแต่ก่อนอาตมาอาชีพพูดอาชีพเป็นโคศกถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นโคศกเป็นผู้ประกาศโคศกล้วผู้ประกาศแต่ว่าไม่เหมือนกันแต่ก่อนเนี่ยพูด พูดแล้วก็ไอ้สาระก็ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้อย่าไปพูดถึงว่าเอาตังค์เลยแต่ก่อนนี้พูดแล้วเอาตังค์มีค่าพูด อ, อย่างโคศกบางคนเราจ้างมางี้โ อ, โ, โอ้โหเล่นแพงคาตัวฉันคอนเสิร์ต ง, งี้บางคนเอาสนะองหมื่นห้านะโอ้โหออกมาพูดจะเจ๊จจนิดเดียวท่านนี้เดงเอาเด้งองหมื่นห้ต้องให้เขาอะไรเงี้ยแพงเอาตังค์มาก ไม่เห็นมีสาระอะไรเลยเอาทั้งสองหมนะื่นหนอย่างดรยาซีนเมื่อวานนี้พูดก็ดีเหมือนนะจา้างผมไปอัด30นาทีเองนะเอ๊ะ e, มันไม่ได้ประโยชน์กับคนที่จริงเป็นนะเขาอัดเทปเขาเอาเทปไปขายแล้วก็แ พ, พร่กับประชาชนอีกเหมือนกันนะแกไม่พูดต่อแกพูดแต่ว่าเอ้ย e, นี่มนไม่ได้พูดใครเนี่ยพูดอยู่ก็ไอ้ห้องนั้นน่ะในเสียงครูอยู่คนเดียวบ้าเลยไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเล ย, เลยแล้วให้เราทั้งสองหมืนสมหมื่นไม่เอาอ่นะเคยกรว่างกันนะ ที่แท้เขก็อาจไปขายอาจไปเผยแพร่กับประชาชนก็เห็นว่าพูดเป็นสาระใช่ไหมล่ะคนจ้างหลายหมื่นที่จริงแกก็พูดจู่ตรงนั้นเองที่จริงมันไม่นะเราต่อแต่ไม่มีใครแยง่งอาตมา ก, ก็ไม่แยง่งาตมานั่งฟังอาตมา ก, ก็ไม่แยง้งแกเท่านั้นแนหะปล่อยแกพูดไปเถอนะนะพูดมีสาระคนจ้างถ้าคนมีสาระไม่เอาค่าจ้างพูดมีสาระ คนจ้างไม่เอาค่าจ้างะจะเรินแล้วผู้มีสาระและเอาค่าจ้างอยู่บ้างก็จะเรินน้อยกว่าหน่อยแต่ก็ยังดีพูดไม่มีสาระแม้เอาค่าจ้างแม้ขออะไรแม้ไม่เอาค่าจ้างมันก็ไม่ได้เรื่องเขาเรียกเพอร์เจอร์พูดไม่มีสาร ะ, ะดันเผาค่าจ้างอีกไมนรกท่าเดียวแล้วมีไ้ยคนที่พูดไม่มีสาระและเอาค่าจ้างมีไหม เอาอยัางไม่เท่าไรนะนะนอกจากพูดไป ม, มีสารเลาค่าจ้างแนละพูดมอมเมาด้วยแล้วเอาค่าจ้างด้วยเป็นยังไงอภิมหาอมตนรกมีนะตัวเองเหมือนเป็นนักวิชาการตัวเองเหมือนอแต่ที่จะมอมเมาเลยนะโอ้โหช่อชนอย่างวาดจะศพงี้สอนคนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของใครเป็นอนุประกอบกันขึ้นมาไม่ใช่ของของเรา เพราะฉะนั้นเอามีดดาบฟันลงไปในตัวคนเหมือนกับฟันไปในที่ว่างเพราะไม่มีตัวใครไม่มีของใครเพราะฉะนั้นจงเอาดาบฟันไปในที่ว่างกับคนไม่มีบาปนี่เห็นไหแล้วว่าจะสบสอนเอาตังค์ด้วยหรือเปล่าไม่รู้คงเอาตังค์นะเนาะเอาทั้งตังค์แล้วก็แหมนอกจากจะได้สาร ะ, ะสร้างบาปสร้างเวรด้วยนะมอมเมาคนอะไรต่าง มอเมาอื่นๆก็ได้เดี๋ยวนี้มอมเมาเนี่ยอบรมกันสั่งสอนพูดว่าะระวังพวกขาย direct sell นะมาหาอนรกนะแล้วบอกให้ฟังไปพูดจามอเมาเขาไม่รู้ว่ามอมเมาของดีนะย่งงี้แต่มันแพงแล้วเอาแพงแล้วเอาเพราะว่าเขาต้องตั้งวิธีการเอาแพงเพราะฉนั้นพวกเราเนี่ยชาวโศกเลิกขาย direct s ล l l จะขายอะไรก็แล้วแต่อา โ, โ, โ, โลเวลลาขี่หมูขี่ม้าอะไรต่างๆพวกนี้แล้วแต่ เอาไอ้ว่านจะร์กเก้มันจะดีแล้วก็มาปลูกเอาเองอย่างที่บอกนะอะไรอะไรต่างๆนั้นนะไม่อยากกล่าวชื่อนะแล้วก็พยายามจะเอามายัดเยียดให้อัตมากินอัตมาใชา้เพื่อที่จะได้เป็นสิ่งอ่างอิงหยุดเถอะนะมันเป็นสังคมที่จุนแรงไอ้ไดเรกเซลเนี่ยเนี่ยได้เงินมาดีก็คือไปขูดรี่เขามาทั้งนั้นหยุดได้หยุด อาตมาเนี่ยตอนแรกไหวไม่ทันเนยตั้งแต่ไอ้น้ําแร่น้ําเร น, นี่มาแล้วแล้วก็เอามายัดแท้อาตมาโอ้โหตั้งหลายเครื่องหลายอันอ่านะก็เลยจะพูดไปก็จะหักน้ําใจกันมากแล้วนะก็ค่อยๆมาตอนนี้ก็ค่อยๆซาลาและก็ค่อยลดลงไปแล้วนะอาทีนี้ก็สรุปการงานของพวกเรานะอาตมาพูดแล้วเมื่อกี้สรุปหน่อยได้แล้วนะแต่มันก็ไม่ละเอียดนักนะมันก็เกิดสามาญานสามามวิมุติขึ้นจริง จากมรรคองแปดเกิดจากผลการปฏิบัติมรรคองค์7เป็นหลักมรรคองค์7เป็นหลักเมื่อปฏิบัติได้ถูกทั้งในระบบของการคิดสังกัปปะทั้งในการพูดทั้งในการกระทําการงานทุกอย่างกรรมบรรดาในการงานทุกอย่างทั้งการงานที่ทําประจําชีวิตเป็นกิจวัตรหรือเป็นวงจรชีวิตของเราทําการงานอย่างอาตมาทำอยู่ทุกวันนี้ก็ทําพวกเราหลายคนทํางานอยู่ทุกวันนี้ ทำจนกระทั่งถึงสัมมาอาชีวะเนี่ยมันมีระบบทั้งองค์ห้าไม่มีใครนำมาพูดลืมไปแล้วอาตมาพูดขึ้นมานี่งงกันอยู่แล้วเอามายืนยันเป็นหลักฐานพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้มันยังไม่สูญหายไปนี่เป็นบุญดีนะาอาตมาไม่มีของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอามายืนยันเนี่ยโอ้ห า, าอาตมาพูดเองตายเลยเขาไม่เชื่อกันสัมมาอาชีวะนี่มีถึงขนาดว่า ง, งานอาชีพที่สูงสุดก็คือทางานฟรี ถึงขั้นลาเพณนาลาพังนิชิกิงสุนตาไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนกลับคืนมาเลยเพราะเราทําการงานเนี่ยประกอบไปด้วยชีวิตประจําวันชีวิตมีทั้งพิธีการมีทั้งอะไรอะไรต่างๆนานานเนเราจัดงานปีใหม่เนี่ยเป็นการงานเป็นการงานและเป็นพิธีกรรมของเราปีหนึ่งเรามีห่นหนึ่งก็ตามอ่ารัชอาตมาก็พยายามวางรูปแบบวางวิธีการอะไรไๆขึ้นมาให้มีการค้าการขายทวนกระแส ขายอริยะเป็นตลาดอริยะเปิดให้คนข้างนอกมามองแล้วดูเผินๆ เ, เหมือนกับเราเองเนี่ยเรากำลังจะทำให้กว้างหรือเปล่าจริงมีส่วนให้กว้างแต่พร้อมกันนั้นเราก็เข็มงวดขวดขันขึ้นเราพร้อมที่ทำให้มันได้รูปแบบที่เราเห็นว่ามันดีและพร้อมกันนั้นก็รักษาํำใจเขาด้วยเขาเข้ามาก็ไม่ได้เิจว่าจะได้รับการโตตานหรือได้รับการ เข็นจากเราเรื่อยนี่ทำผิดกฎผิดระเบียบจึงงงงี้ด้วยวเขาไอ้นี่นี่คนเห็นแก่ตัวมันเยอะใช่ไหมเขาก็จะแสดงความเห็นแก่ตัวนานาสารพัดรูปแบบออกมาอย่างนั้นท่านนั้นท่านี้บ้างเราก็จะต้องรับประสานกับเขาให้ดีไม่ให้เขาเสียน้ำใจบ้างแต่ก็ให้เขาได้ลดละบ้างให้เกิดได้รับความรู้บ้างเพื่ออะไรอะไรดีมุ่งหมายอะไรอย่างคนมาซื้อของเนี่ยขี้โลภ บอกพยายามที่จะหาทางเอารัดเอาเปรียบดีไม่ดีมาขโมยยังมีมาอะไรอะไรมีอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลวร้ายเราก็จะปิดช่องอย่างมพระเชา่าจะมาไปยืนดูร้านที่เขาขายผ้ายีนมันไม่ดีที่มันไม่ดีไม่เหมือนกับอย่างสองร้านมีที่เข้ามีคนเจ้าหนะ้าที่คอยขายข้าวเข้าไปเต็มแล้วปิดก่อนจนท่านนี้ระบายออกมาพอสมควรค่คอยเปิดเข้าไปอะไรนี่เป็นระบบที่ดีแล้วของเขาก็เยอะเขาคนทําอันนี้ก็เยอะนะ ผ่าเสื้อผ่ากองเกงอะไรกองเลยมาถึงก็รุมเลยนะรุมก็หยิบออกมาข้างนอกข้างนอกหยิบอาตมาว่าคงหยิบไปเยอะมือนกันนะหยิบไปเฉยๆบางคนลองลองเลงด้วยนะผู้ชายลองนุ่งเสร็จเรียบร้อยอย่าอก็เดินไปเลยอาตม า, ามันง่ายๆดีนี่ไม่ได้แนะชี้โพรงให้กรอกนะแต่เห็นเมื่อเช้านี้อาตมาไปยืนดูเอ๊ะงี้ก็ บ, บอกเขาบอกมีคนมาสี่คนเองเขาไม่รู้จะทํำยังไงมันก็คงจะต้องก็า ว, วางใจอ น, นะปลง เขาอยากขโมยก็ขโมยไปแต่ธรรมาบอก ว, ว่าคุณวางใจคุณได้นะแต่เราไม่ได้เปิดงานเพื่อจะให้คนมาทําชั่วมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในนี้ต้องค่อยช่วยกันระวังแล้วก็ช่วยกันถ้าเผื่อว่าแม้ว่าเราเองนี่เป็นไม่ได้เป็นผู้ไปจัดหรือไปทํางานนั้นหรอกถ้าจะไปช่วยกันได้ก็ไปช่วยเออช่วยป้องกันให้ด้วยแล้วระวังนะประเดีย๋ยวจะทะเลาะกันประเดีย๋ยวจะเกิดมีดเสียบกันว่าไอ้นี่หมอนะเพราะบางคนทําชั่วบางทีมันก็เกิดโกรธใช่ไหมแล้วมันก็มาจับ ผิดมันได้ด้วยจับทุติยภิรมันได้มันก็อาจจะนี่ใสอีกหน้าเราหน้าแหกแล้วเดี๋ยวเอามันอกแหกแล้วกันเสียบเราเลยตายระวังนะเพราะฉะนั้นจะบอกบางทีก็เอากันไว้บ้างเท่านั้นเองจะไงไงเราก็มาเสียสละอยู่แล้วก็เอาเสียบ้างก็จำยอมมันสุดทางแต่ก็พยายามจะเปิดโอกาสให้เขาเาต่อไปแล้วก็ดขูของขายมากๆอย่างนี้ร้านขายเสื้อผ้ายีนเนี่ยอาตมาเห็นเลยว่าโอ้อย่างงี้เนี่ย เปิดโอกาสให้คนอื่นเขามาทําชั่วเยอะไม่ใช่ว่าเราเองเราจะอย่างไงก็เอามาแจกเลยที่มาโยนโปรยทานเฉลยจริงกันนะกยังดีสักว่าใช่ไหมแต่นี้ไม่ได้โปรยทานแต่ให้เขาเกิดในรูปแบบนึงว่าการค้าให้มีสุจริตนะอย่ามักได้ให้มันละความโลภบ้างเขาเข้ามาเนี่ยเเป็นพิธีหนึ่งอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะแล้วเราทําให้จริงเป็นการงานเป็นการเสียสละเป็นการพิสูจน์พวกเราแล้วก็เป็นการสัมพันธ์กับข้างนอก นานๆทีปีนึงมีหนแล้วเราทําหรือแม้แต่ไปแจกงานอาหารบวงบุญบางสวิรัติในอะไรก็ตามหรือเราทํางานอยู่ทั้งหมดทําก็พื่นต้องพยายามที่จะให้เพื่อเขาอย่างอาตมาทําให้มีน้ําตกน้ําไหลมีนนท์หนี่มีอะไรตัวใดเนี่ยที่จริงอาตมาทําธรรมชาตินะทำธรรมชาติเพื่อจะให้วงจรของสิ่งเหล่านี้นนมันเกิดสมดุลขึ้นมาเดี๋ยอาตมาจะได้เทศเรื่องนี้บ้างในเรื่องของ ระบบในเรื่องของชุมชนในเรื่องของสังคมในเรื่องของสิ่งที่จะมารวมมาร่วมมาเป็นปึกแผ่นมาเป็นหินฟ้าในวันพรุ่งนี้จะเทศที่ลานที่เวทีธรรมชาติหนุนเราจะได้เทศถึงเรื่องนั้นในวันนั้นแต่วันนี้เรื่องของมรดกองแปดอาตมานเน้นในรายละเอียดและก็ได้บอกให้ทราบถึงพฤติกรรมของแต่ละข้อทิฏฐิก็ดี สังกัปกปะก็ดีกัมมันตะวาจากัมมันตะหรือแม้อาชีวะเมื่อกี้พูดมาถึงว่าอาชีพที่สมบูรณ์สูงสุดเนี่ยมันเป็นอาชีพอย่างไรตั้งแต่กุหนาลัปปนานิเปสกนมิตกตานิเปสิกตาเนมิตกตานิเปถูกแล้วนิเปสิกตาแล้วก็ลาภินาลาังนิชกิงสนตาเนี่ย มันมีองค์มันมีองค์งงธรรมอย่างนี้แล้วเราจะต้องระมัดระวังความหยาบตั้งแต่กุหณารัปนาไปแล้วก็ขึ้นไปเป็นเนมิตกตานนเปสิกตามันสูงขึ้นอย่างไรจนสุดท้ายแม้จะทําอย่างหมดตามาอธิบายไว้แล้วหลายอันเป็นหนังสือบันทึกไว้ก็มีแล้วพูดซ้ำพูดซากแล้วก็ต้องพูดซ้ำพูดซากไปอีกจนตายนาะเนียนะ่ยตายแล้วเกิดมาอีกก็พูดอีกนาะมันไม่ใช่เรื่องเล่นนีนเราโดยพิสูจน์ในพวกเราเกิดจากการงาน การอบรมทั้งนั้นการฝึกฝนทั้งนั้นแล้วคนไม่ตกต่ําอาตมาภาคภูมิใจนะในพวกเราเนี่ยหลายคนมีหลายคนจริงๆที่เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วสมัครงานที่นี่เลยเงินเดือนไม่ต้องไปต่อรองเลยเพราะมันไม่ได้มันศูนยนะ์เงินเดือนมันศูนย์เลย เขาไม่คิดอ่านไปหางานทําเลยนะอาตมาไม่ขายหน้าคนที่ไปหางานทําไม่ได้แล้วค่อยมาทําก็ไม่ว่าหรอกไม่ได้ว่านะพูดเมื่อกี้ก็ไม่ได้ว่านะ ก, ก, านะก็เขาอาจจะมีความจําเป็นหรื อ, ขอเขาก็ยังคิดอยู่อย่างนั้นก็ อ, อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ที่พูดนดี่จะว่าชมก็ชมชมช ม, ชมตัวเองดีกว่าอาตมาชมตัวเองที่สอนเขาแนะนําเขาจอกระทะเขาไม่วอกแหวกไม่เป๊ะไปเลยเรียนจบมหาวิทยาลัยออกมาเขาก็ต้องไปหางานทํากันううใช่ไหมอ่า ถ้าคนที่พ่อแม่พี่น้องญาติโกโยติกาเมเรียนจบแล้วเองไปทํางานดิเอาเงินไม่ค่าบางทีหรือแม้ว่าเอาเงินไปให้แก่ตัวเองก็เถอะจะได้ไม่ต้องขอค่าไอ้นี่ก็แล้วไปนะมันก็ต้องไปทําแต่นี่ไม่หรอกนะพ่อแม่พี่น้องไม่ได้บังคับเบล่งรัดอะไรหรอกนะแต่ฉันจะต้องไป น, ะนี่แหละอาตมาว่าเขาก็ไปแต่คนที่ไม่ไปเลยนี่น ะ, นะขนาด พ่อแม่พี่น้องก็จะบังคับจะต้องพยายามให้ไปทำงานก่อนไปหางานนำทำที่นี่มันได้เงินที่ไหนใช่เขาก็ต้องเห็นอย่างนั้นแหละในชีวิตอาชีพมันจะต้องได้เงินมาทำอาชีพยังไงนี่ไม่มีเงินแล้วกินอะไรทั้งทัง ท, งที่บรรยายบอกมีกินอยู่ได้ ท, ทั้งทั้งที่พ่อแม่ไม่ต้องการจากลูกหรอกนะ ไม่ใช่ว่าให้ไปทํางานแล้วเพื่อจะได้เอาเงินมาให้ฉันไม่ต้องหรอกนะแต่ว่าเองก็งไม่ทางานนู้นต้องไปได้เงินลูกก็บอกว่าไม่ต้องเอาเงินก็ได้มันทางานนี่ก็ได้จะกินอะไรมีกินก็ไม่ไหให้มาจะให้ไปทางโนู้นแต่ก็มากันจนได้นี่ไม่ได้ปลูกเรานะไม่ได้ปลูกเราคนที่เป็นอย่างนั้ น, นไม่ได้ปลูกเรานำอย่าไปเที่ปะทะเรื่อยอย่าไปต่อต้านหรืออย่าไปขัดแย้งกันเกินไปพเดี๋ยวก็ตายอ่ะเดี๋ยวก็ หลายครอบครัวมารุมที่นี่เลยครอาตมาเดี๋ยวร้อยครอบครัวไปฟ้องนายยกชาติชายตายแน่อาตมาบอกว่าเนี่ยสอนรัทธิเนี่ยลัทธิอย่างเนี้ยดูสินน่เด็กเรียนจบแล้วนะมาทํางานฟรีที่นี่ฉันไม่ชอบเขาก็ต้องเห็นด้วยร้อยคนร้อยครอบครัวนะั้นไปฟ้องชาติชายเใช่ไม่ชาติชายเขาจะต้องเห็นแก่ร้อยครอบครัวจะไม่เห็นแก่อาตมาได้ไง เพราะอาตมาเป็นผู้ได้เขาถือว่าอาตมาเป็นผู้ได้ประโยชน์ก็ได้คนมาทํางานฟรีมันก็ได้ประโยชน์ทินะใช่ไหมเขาก็เห็นว่าเออนี่พระธิดาก็ได้ประโยชน์ทินได้คนมาทํางานฟรีเนี่ยมะมาทํางานฟรีเขาไม่ได้มองลึกไปกว่านั้นแล้วฟรีแล้วพวกคุณมาทํางานฟรีนี่คุณให้อาตมาได้อะไรกันแล้วกันอาตมาได้ประโยชน์จากคุณอะไรนักหนาเขาไม่ได้มองออกระเอียดไปปานนั้นหรอกนะ เพราะที่เราทําฝึกปลือตามบทบาทของมรรคองแปะของพระเจ้าจึงได้เกิดมีสัมมาอาชีพอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้ไม่เคยมีนะและไม่พูดกันด้วยอย่างดรยาซีนพูดมเมื่อวานนี้ อ, อการไปทํางานก็ได้เงินมาช่วยไอ้นี่เนี่อย่างพูดเมื่อวานเนี่ย อ, อ, อะไรต่งตางๆนานาอาตมาว่าอย่างนี้เนี่ยท่านรัชชโยนั่งอยู่ข้างอาตมาว่าออทฤษฎีหลักการอย่างนี้เนีผมทุนนิยมก็ทำอยู่ทุกวันนั่นแหละ จะไปมีปัญหาอะไรแล้วมันก็ซ้อนแฝงเข้าไปอย่างนั้นแล้วก็อ่างเงี้ยอ่างอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็ไปอย่างนั้แต่ของพระเจ้าเห็นไหมว่ามันลึกซึ้งจริงๆมันเป็นไปได้อย่างไงมันเป็นตังเงิดสํานวนอิสานเป็นตังเงิดมันเป็นตังเงิดนี่จะแปลเป็นไทยทั้งหมดว่าไงงิดเนี่ยมหัศจรรย์มันอัศจรรย์เป็นตังึดนี่มันเป็นสํานวน เป็นวลีผสมเข้าไปเนี่ยมันช่างหน้าอัศจรรย์เลยเนาะจะแปลเป็นไทยเป็นตังเดเนี่ยมันก็แปลว่าช่างหน้าอัศจรรย์เชิงจริงนะแปลว่างี้ก็คงได้แปลเป็นไทยเป็นตังเงิดตั ง, งอง่มันช่างหน้าอัศจรรย์เชจริงจริงๆนะและไม่ใช่คนเดียวแล้วก็มากคนเพิ่มขึ้น ถ้ามันเป็นความถูกต้องมันก็จะเป็นสังคมที่มากขึ้นกว่านี้และจะเป็นความเป็นจริงได้ยิ่งกว่านี้นะตอนนี้เราก็ทำได้เพิ่มขึ้นก่อการงานเพิ่มขึ้นจนกระทั่งมีงานด้านที่นี่มีงานทางด้านช่างก็โอ้โหหนักนะทางด้านช่างเเพราะว่าเรากาลังก่อสร้าง แล้วก็ทั้งเครื่องคนคนหนักอะไรต่ออะไรก็โอ้ถ้าเป็นโลกเขาก็ไปรับรับรับซับทางโน้นน่ะคนมาช่วยงานช่วยการไม่ต้องเอาอะไรมากแล้วมาเป็นแม่ครัวที่นี่ดูสินี่มาทํางานงอกง อ, กงอกเลี้ยงคนเป็นพันอะไรเงี้ยมันเหนื่อยนะทุกวันก็ทำไปเลี้ยงกันเป็นร้อยอะไรเงี้เป็นต้นก็ทําไปแต่ละงานเรามีงานทําไม่รู้กี่อย่างแม้แต่ฉันไม่ใช่เฉพาะที่นี่ต่อไปในอนาคตมันจะเกิดการหน่วยงานที่จะก่อไปอย่างเช่นแกมาตุ่มคอนกัน กลุ่มศีรษะอโศกมันแฝงอยู่ศีรษะอโศกมันยังไม่ออกไปห่างนักแต่ว่ามันก็จะเป็นกลุ่มที่แท้ออกไปงั้นนะกลุ่มออกไปห่างหน่อยแล้วก็ทำกันจริงจริงเนตมาจะดูบทปาทของกลุ่มขอนแก่นเนี่ยถ้าจะดีทีจะเลวหรือเปล่านะถ้ า, ถ, าถ้าดีทีไม่เหลวนะจะก่อให้เกิดกลุ่มที่มั่นคงกลุ่มที่จะต้องมั่นใจนะจะต้องมั่นใจว่าเอ อ, อย่างนี้ดี แล้วเราก็จะทำอย่างนี้กันให้ได้จริงๆแล้วก็จะต้องฝึกฝนอบรมขึ้นไปกล้าลงทุนก็จะกล้ากล้าลงแรงก็จะกล้ากล้าจะสละงานสละอาชีพที่มันได้เงินได้ทองก็จะกล้ามาทำมันจะเกิดองค์ประกอบเกิดรูปธรรมเกิดสัจจะของจริงขึ้นมามันจะเกิดสัจจะของจริงขึ้นมาเพื่อมายืนยัดยืนยันว่าคนทาอะไรการงานของคนคือการงานอย่างไร แม่แตมาไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่ ง, กงที่จะพูดให้คุณฟังว่าการงานของคนที่ไม่ใช่การงานอย่างทุนนิยมหรือมนุษย์โลกเขากําลังเป็นอยู่เลยมันการงานอย่างเรากําลังเป็นอยู่นี่แหละแม้รูปยังไม่ชัดนี่คือการงานแห่งบุญการงานแห่งความประเสริฐของมนุษย์ถ้าจะหาว่าอตมานี่แหมพูดเก่งพยายามปลุกเราให้คนมาทํางานฟรีแล้ว โพธิรักก์จะได้ประโยชน์ดูซิตอนนี้มันมีเวียงมีวังแล้วนี่มีน้ำตกน้ำไหลมีภูเขาลำธารมีร้านมีรวงมีอะไรอะไรอะไรได้นี่โอ้โหเนี่ยโพธิรักลับเละเลยนี่คนเดียวอ๋ยิ่งใหญ่เลยเียเขาจะมองงนี้ก็มองได้แต่จริงๆเนี่ยคืออะไรน่จริงๆน่คืออะไร เนี่ยมันมันก็ซ้อนเชิงอยู่เงี้ยซ้อนสภาพอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคําว่ากรรมหรือคําว่าการงานหรือคำว่าคำว่าการกระทํานี่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นกรรมสัจจะของศาสน า, าพระพุทธเจ้ากรรมนิยมและกรรมเป็นทุกอย่างกรรมเป็นกําเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นตัวมรดกตกทอดเป็นตัวสืบต่อไปอีกตั้งกว่าคุณจะปรินิพาน นับกาลเวลาไมไม่รู้จะไปนับตรงไหนเพราะคุณเกิดมากี่กับกี่กันแล้วก็ไม่รู้นี่เ ป, นเป็นเรื่องลึกซึ้ง น, นี่เราพิสูจน์พิสูจน์เห็นมีรูปธรรมให้มีรูปแบบขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆอาตมาจำเป็นที่จะต้องพูดให้บุคคุณเข้าใจและเพื่อให้เอาไปตรวจสอบไปวัดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นขึ้นมา คนที่ยังมีกิเลสยังกิเกียรติยังเห็นแก่ตัวยังหลงหลงเพิ่งเลี่ยงมีอยู่ในพวกเราก็มีอยู่คนที่ขยนันหมั่นเพียรจนกระทั่งเข้าใจแล้วก็ขยันหนักก็หนักคนราะในเรามันรุ่นบุกเบิกก็หนักแต่เอาละมันก็เป็นตัวอย่างแก่กันและกันบุญของผู้ที่ทํามันก็ได้อยู่เองมันก็เป็นบุญอยู่จริงแย่งกันไม่ได้โกงกันไม่ได้หรอกแล้วเราก็เข้าใจเพิ่มขึ้นเราก็ลดกิเลสเพิ่มขึ้นอาตมาก็เห็นใจนะบางคนนะรู้ รู้นะแต่มันยังมีกิเลสขี้เกียจมีกิเลสหลบเลี่ยงนี่มันก็แก้ตัวอยู่นะแก้ไม่ใช่แก้ตัวแก้ไขก็แก้ไขอยู่นะแต่มก็แก้ไขยังไม่ได้มากมันแก้ตัวซะมากกว่าแก้ไขอยู่เรื่อยๆเราเอาก็ก็เค้นกันต่อไปว่ากันต่อไปอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นรูปแบบของกิจการงานปีใหม่กิจการที่จะไปทําส่วนนั้นส่วนนี้ส่วนตัวทำรวมกลุ่มทำเกิด เกิดหน่วยเกิดกลุ่มเกิดคณะเกิดนน่นเกิดนี่เกิดกิจเกิดการเกิดงานเกิดขึ้นไปเรื่อยๆมันจะสอมันจะแสดงจะแสดงถึงความเป็นคนชนิดโลกุตระบุคลหรือเมืองพระสีอ่านของพระพุทธเจ้ามันจะสอมันจะแสดงทุกวันนี้อาตมาว่าเกิดรูปร่างแม้แม้จะรังรา ง, รงไรๆคนตาดีก็ยังมองไม่เคอยออกก็ตามอย่าไปพูดถึงคนตาบอดเลย คนตาดีจะยังมองไม่เห็นชัดนักก็าตามต้องมีดวงปัญญาตาทิพตตาธรรมะดีๆหน่อยถึงจะมองได้ก็าตามแต่มันก็พอเห็นได้แล้วสําหรับพวกเราอาตมาพูดนี้ก็คิดว่าคงเข้าใจนั่นนี่มันก็เลยเวลาไปแล้วนะอาตมาก็เทศช่วงนี้เอาไว้เดี๋ยวจะต่อกันอยู่แม้จะเทศธรรมวัดพรุ่งนี้เช้าอีกอจะชื่อเรื่องอื่นไปมันก็จะสัมพันธ์กันที่อาตมาเทศนี้นะสำหรับวันนี้ยังไงยังไงก็ต้องจบเพราะเลยเวลาไปอีกตั้ง หลายนาทีแล้วเอาข อ, ขอเอวัง